จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริสันตร์รูปฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อามาสนทนาธรรมถามตอบคำถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทานสีลภาวนาท่านที่สนใจอยากจะมีคำถามอยากจะถามก็เชิญเข้ามาได้แต่คงอาจจะต้องรีบก็มาเพราะไม่เช่นั้นชิวจยาวแล้วอาจจะ ไม่สามารถรับเข้ามาได้ดังวันนี้เราจะเริ่มต้นที่ใครก่อนเด็กๆคนอื่นยังไม่เห็นมาอ่าช า, า, น, านิสาเอ็นมาจ้านองของเพืนก่อนแวว่ายังไงครับนักกุลข อ, องเพื่อนนุมีนุไ ม, นไม่ทำยังไงก่งงงงอน หนูหนูยังหนูซนอยู่หรือเปล่าครับเขาบอกเขาบอกว่าวันนี้เลิกไปดีที่โรงเรียนเลยค่ะเขาไปอะไรนะเขาไม่ได้ทําเรื่องไม่ดีที่โรงเรียนเลยค่ะวันนี้เขาทําอ่าไม่ซนเลยเหรอแล้วบอกโอออากลับสวัสดีครับพ่อชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เรไม่มีคำถามนะะแหมไม่กพาพระอาจารย์ค่ะในวันเข้าพรรษาได้ฝากเทียนไปทำบุญอ่าถวายพระอาจารย์นะคะร้านอ่า ท, ที่ที่ฝักตักบะ ท, ทุกวันนะคะาาเช้านี้กองเยอะๆไปเลยเต็มไปค่ะขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมถวายเทียนพรรษาทำบุญถวายอาหารด้วยนะยทุกวันเลยมีญาติโยมที่ เป็นสมาชิกห้องสูบในเมืงเทมีการถวายอาหารเป็นประจำค่ะไม่มีโอกาสได้พูดอนุโมทนาเพาวันนี้พอดีมีโอกาสก็เลยพูดถหน่อยแต่รับทราบทั้งวันนะคุณเอ้เขาก็เป็นคนแจ้งใหทราบว่าใครเป็นใครบ้างอ่าโชคดีที่ครั้งที่แล้วไปแล้วก็พี่เ้าก็ถามว่าอยู่ต่างประเทศเหรอฝากไว้ได้ก็เลยฝ<ม>ากพี่ วุนนี้สามารถทำบุญออนไลน์ได้ใส่บาตรออนไลน์ได้ดีจังแล้วพี่เขาก็ไปดูทุกเช้าเลยถ่ายรูปส่งไปใช่ไหมอ่าก็ <Okay. S 2> มีทางรูปไปอืมกาษานี้อธิษฐานทำอะไรทักอย่างมันพิเศษปฏิตาณดีนะทำบุญใส่บาตรนักษาศีลหรืออะไรก็ถ้าไม่บังคับใจมันไม่ยอมทำพิเลมันคอยคว้างอยู่เลย ตั้งใจใส่บาตรต้องเอาอธิษฐานสัจธรมามาปราบกิเลสตัวที่งอแ ง, งทาําบั่งไม่ทําบ้างอยากจะทาก็ทําไม่อยากจะทํทา ก, ทก็ไม่ทำํำสัจธรรมอธิษฐานมาตั้งไว้เลยมันพระพุทธเจ้ามก่อนจะตัดสโลก็ตัดสร้งสัจธรนมธิฐานมันจะนั่งภาวนาจนกว่าจะตัดสโลอิอางา น, นก็ไม่สําเร็จนั่งไปตั้งเดียวเขาเจ็บว่าถอยนะไม่เอานะ ในข้าวพันศานี้จะนั่งสมาธิให้ครบสามเดือนเลยค่ะเพราะว่าเดือนที่ผ่านมานี้อินกับการเมืองเป็นอ่านแล้วเไปไ็นไงร้อนได้เย็นการเมืองการเมืองวันนี้นจบแล้วค่ะเุณกินไม่ได้นอนไม่หลับมาค่ะวันนี้ก็เลยอ๋อโอเคจากพรุ่งนี้ไปจะเริ่มนั่งสมาธิเหมือนเดิมแล้วค่ะหมดเรื่องตามแล้วกี เ, เลศครับ คใครมาเหมือนกันนะใครมาทำอะไรไม่ก็เหมือนกันค่ะพระอาจารย์เราพวกเดียวกันเพราะว่ า, าเราก็มาหาผลประโยชน์ใช่ค่ะรู้สึกอ๋อผิดหวังอแล้วก็มาเราให้เราเอายเอเอาเหยื่อมาอา่อยเราให้เรามีความหวังค่ะเยที่นั่งคุยกันตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เพราะราแยง่งอำนาจกัน ใช่พอดีวันนี้ได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อพุธค่ะท่านบอกว่าสีทําให้สังคมสงบทําให้มีประชาธิปไตยเกิดขึ้นจริงก็ก็คิดต่างว่าเออก็จริงถ้าสีน่าถ้าไม่มีปไตยก็เกิดยากเหมือนกันโอเคนะมีอะไรไหมมีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์กราพระอาจารย์พันธ์นินค่ะ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> อินโดนีเซียไปที่จามกระจัดที่กะาจามะดี <Okay. S 1> จัตทีกรางนมุสการพระจานทร์ครับว่ายังไงวันนี้ว่าส่งกันบ้านครับเนียว่ามามีอะไรบ้างเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้นะเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เราหนี้ความตายเป็นธรรมดาจะล่งพ้นความตายไปไม่ได้นเราจะละเว้นเป็นต่งางบังคือลัคนักจะต้องพัดพ้จากของรักของเจริญใจทั้งหลายทังปวงมันรักมีกรรมเป็นข อ, องของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม ม, มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย<ม>เราชงกรรมอะไรไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาป เ, เราจะเป็นทา ย, ยาทชื่อว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมน้ำสืบไปเราทั้งหลายคน mm hmm. ที่จารณนานอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดเราลำกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินทียกระดู ก, ก, ดกหัวใจตับปอด <imen> ไปปอดใช่ใหญ่ใช่น้อยอาหาร <devil. S 1> ใหม่อาหารเก่าเยี่ยในสมองสีสะน้ำดีน้ำเฉ็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนื่อยน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหล่าน้ำลายน้ำน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่้อน้ำมูดน้ำเหล่น้ำตาลน้ำมันข้นน้ำเหนื่อน้ำเลือดน้ำเหลืงน้เฉลดน้ำดีเยี่อในสมองสีสะ อาหารก็อาหารใหม่ใช่น้อยใช่ไหญ่ปวดไตขังมือตับหัวใจมาเย็งกระดูกกระดูกเองนะหนังฟันเลือดคนอ่ามีอะไรไหมมีอะไรอยาถามไหมไม่มีนะครับนั่งสมาธิอยู่ทุกคนืนนับล่าวอาจจะไม่นั่งครับแต่สดมลแทนครับเออทำไมไม่ชอบนั่งสมาธิเลย ยังไม่พร้อมที่จะนั่งดีกว่าเล่นเกมนะได้ความสุขยาะกว่านะพยายามหัดทาไ้ทําไปเรื่อยๆต่อไปก็ง่ายใหม่ๆมันก็ยากหน่อยาจมันไม่ยอมอยู่เฉยๆมันชอบหาอะไรทำแล้วมันอยู่ไี่เฉยมันก็อะไรรู้สึกตึงเครียดเสมอครับครับมีอะไรไหมคุณแม่ไม่มีค่ะ อันนี้ก็ไปที่คุณฝนก็แล้วกันจะมีลูกชายมาค่ะคุ ณ, คณพระอาจารย์ค่ะคุณฝนเชนค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้พาลูกชายมาด้วยค่ะอพอดีฝนหนูก็หายไปสามเดือนนะคะพระอาจารย์แต่ว่าก็เมื่อวานนี้ก็ ปฏิบัติดูชาพระอาจารย์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคําถามมาถามนะคะแต่ว่าพอดีตอนนี้ลูกชายเขาอยากจะมีคําถามมากราบถามเรียนถามพระอาจารย์ก่อนนะคะพระอาจารย์ถามได้เลยครับชื่ออะไรครับชื่อทิมค่ะทิมนะโอเคอยากเรยรู้อะไรไหมครับชอบทําจะชอบใจร้อนแล้วก็ชอบทําอะไรเร็วๆมีวิธีแก่ไหมครับไม่ก็ท่องพุทธโธพุทธโธไว้เวลาใจร้อนก็ท่องพุทธโธพุทธโธพุทธโธไว้ ใจร้อนเพราะความอยากเราต้องหยุดความอยากด้วยพุโทโธเนี่ยท่องพุโทโธพุธโทโธไปแล้วใจก็จะเย็นหนุ่มอา่าลองหัดท่องพุโทโธก่อนที่จะร้อนเนี่ยถ้าไม่ซ้อมไว้ก่อนพอเวลาเกิดความร้อนขึ้นมาเราจะท่องพุโทโธไม่ออกันหัดท่องพุโทโธไปก่อนน้อนก็ท่องสัก5้านาทีนั่งท่องพุโทโธสัก้านาทีเตนขึ้นมาก่อนจะไปทำอะไรก็ นั่งพัุทโธสักห้านาทีก่อนฝึกไกว้ไกว่านซ้อมไม่ก่อนนะลองทําดูนะทางใจหนูจะเย็ยนลง ม, มันเป็นกันบ้านเนาะเดี๋ยวคันหน้ามาส่งพระอาจารย์โอเคไหมคะพุทโธเป็นเหมือนเบรกอไงรถยนต์ของเราจะให้รถยนต์มันวิ่งช้าลงแล้วก็เหยียบเบรกเห็น ไ, ไหมคะมันมนอนเพามันมันมันอยากจะได้อะไรเร็วๆเยอะๆมากกว่า มันก็เลยร้อนขึ้นมาทำยาต้องใช้สติพุโทธโธพุทโธเบไกบ้างๆลองทำดูนะอ่าแต่ครับอ่า okay, มีอะไรไหมะอาจารย์มีทำอะไรทำไไม่ค่ะครับจากอาจารย์คุณสิคะาจากอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะขออนุญาตในส่วนของของหนูอะค่ะของแม่ค่ะพอดีอ่เมื่อวานเนี้ยค่ะคือหนูก็ห่างจากการ หายจากการนั่งสมาธิไปไปสองสาเดิอนเพราะว่าลูกเปิดเทอมด้วยก็ยุ่งอะคะ่ะแต่ว่าก็ยังคงฝึกสติอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่อะนะคะทีนี้เมื่อวานนี้ก็เลยกลับมานั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติบูบชาด้วยอะคะ่ะ แต่เช้าก็นั่งสมาธิไปแล้วก็แล้วก็เดินจงกรมอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ฝึกสติพยายามฝุกสติทุกย่างก้าวะคะ่ะแล้วเมื่อวานนี้ค่ะอยากจะกราบเรียนพระอาจารย์ว่าเป็นวันแรกที่ที่สามารถนั่งได้ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะโดยที่แบบว่านั่งฟังธรรมธรรมะ แต่ต้องต้องเสียบหูฟังธรรมะของพระอาจารย์ไปด้วยอะคะ่ะแล้วก็เอาใจไปอยู่ที่กับเสียงเสียงธรรมะของพระอาจารย์นะคะแล้วก็ตอนที่เกิด เ, เวทนาขึ้นมาโดยปกติแล้วอ่ะหนูจะผ่านมันไปไม่ได้เลยอะคะ่ะเพราะว่าจะจะถอยออกมาสัก่อนนะคะแล้วเราก็เลยพยายามแบบเอาใจไปอยู่อยู่ที่ตรงเสียงอย่างเดียวเลยอะคะ่ะแต่ว่าก็เห็นความเจ็บ ของเวทนาที่ขึ้นมานะคะแต่ว่าใจมันไม่ทุกข์ร้อนเลยอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนใจใจไม่ไม่ได้เจ็บปวดกับกับร่างกายอะค่ะเพราะว่าพยายามให้มันเบาอยู่กับเสียงธรรมะของพระอาจารย์นะคะจนได้ยินเสียงที่พระอาจารย์เทศตรงประโยคสุดท้ายว่าแบบถึงเวลาสมควรแก่เวลาแล้วจะขอหนุโมทนานให้พอนะคะหนูก็ หนูก็รู้รู้เลยว่าหนูนั่งมาได้ถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วเป็นครั้งแรกค่ะแล้วหนูก็แบบนั่งน้ําตาไหลด้วยความดีใจอะค่ะพระอาจารย์หนูก็เราเราหนูกลับมาเมื่อวานตอนกลางคืนหนูก็นั่งต่ออีกรอบหนึ่งอะค่ะเมื่อวานนี้หนูนั่งสมาธิไปสามรอบอ่ะค่ะเรารู้สึกว่ารอบสุดท้ายที่นั่งอะค่ะหนูก็ฟังธรรมะของพระอาจารย์ไปครึ่งชั่วโมงอะค่ะแล้วก็ปิดเสียงแล้วก็นั่งต่ออะค่ะ พอตอนหลังก็มีเวทนาขึ้นมาอีกอะคะ่ะคราวนี้ก็ก็ทําเหมือนตอนบ่ายก็คือว่าเอาใจไปอยู่กับที่ลมหายใจพุทโธคืคอคือแต่ว่าก็มองที่ขาไปเลยว่ามันเป็นดินน้ําลมไฟมันมันมันเป็นแค่ร่างกายอะคะ่ะมันมันเจ็บเดี๋ยวมันก็หายอะคะ่ะแล้วมันก็จะมีช่วงที่คลายความเจ็บแล้วมันก็เจ็บขึ้นมานะคะ่ะแล้วหนูก็ไม่เอาใจไปไป ไปยึดติดกับความเจ็บตรงนั้นนะคะเหมือนให้มันมันก็เฉยเฉยไปอ่ะคะ่ะจนจนลูกชายเขาเข้ามาเหมือนเข้ามาเรียกก็เลยก็เลยต้องออกจากสมาธิหนูก็เลยดูไปว่าเออหนูก็นั่งมาได้ห้าสิบกว่านาทีแล้วโดยที่แบบไม่ไม่รู้ตัวเลยอ ะ, ะคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็เมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกที่ ท, ที่ทําได้แบบนี้อะคะ่ะก็เลยจะมากลับเรียนพระอาจารย์นะคะก็ะดีอาศัยการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราจสงบ พอที่จะนั่งดูลมได้ก็เราปิดเสียงธรรมอยู่ก็ได้ถ้ายังไม่สง บ, บพอที่จะดูลมก็ฟังเทศไปเรื่อยๆก่อนอันน<ล><ล>ั้นที่สุดเราต้องอาศัยเราต้องใช้มลมหายใจในพุทโธเราจ ะ, จ ะ, จ, ะจะดีกว่าอยเบื้องต้นกำลังของสติเรายังไม่พอก็อาจจะต้องอาศัยธรรมะเสียงธรรมเป็นตัวประคับประคองใจเราไว้ก่อนอ เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะชอบคิดนะคะแต่ว่าหนูไม่ได้ไปคิดเรื่องเรื่องเรื่องของทางโลกนะคะหนูจะชอบมาคิดเรื่องทางธรรมเหมือนแบบจะมีเสียงของพระอาจารย์อยู่ในหัวแบบตอนที่มันเงียบๆเหมือนหนูจะคิดไปเองอะค่ะว่าเนี่ยหนูมีคําถามแบบนี้นะแล้วหนูจะถามพระอาจารย์แบบนี้แล้วพระอาจารย์เอออาจจะตอบแบบนี้คือเหมือนมันก็คิดอยู่แต่พอหนูคิดหนูก็รู้แล้วว่าอันนี้อาจจะเริ่มเหมือนมันฟุ้งอะ่ะมันคิด คิดไปแล้วเราก็เลยพยายามจะกลับมาอยู่กับลมหายใจอะค่ะแต่ว่ามันก็จะวนเวียนสลับอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วแล้วมันหนก็รู้สึกว่ามันยังไม่สงบลงแบบแท้จริงอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ฟังเทศไปก่อนนะตามมาฟังเทศไปก่อนค่ะเวลาฟังเทศจะไม่ค่อยคิดใช่ไหมเพราะเราคิดตามเสียงธรรมที่เราได้ยินค่ะใช่ค่ะ เพราะว่าอตอนที่เวทนาขึ้นนะคะ่ะตอนนั้นพระอาจารย์กําลังพูดถึงเกี่ยวกับเวทนาพอดีอะคะ่ะว่าแบบอเออเหมือนให้ผ่านไปให้ได้หนูก็หนูก็เลยตั้งใจฟังที่พระอาจารย์พูดอะคะ่ะก็เลยไม่ได้แบบไปรู้สึกอะไรมากกับตรงเวทนานะคะ่ะก็แต่เมื่อวานมีลองปิดตอนช่วงครึ่งชั่วโมงหลังปิดเสียงครึ่งชั่วโมงหลังแล้วก็นั่งต่อไปอะคะ่ะก็เดี๋ยวจะลองพยายามดูแต่ช่วงแรกอาจจะต้องใช้เสียงธรรมมช่วยก่อนนะเจ้าค่ะใช่ดีการฟังธรรมนี่มีคนประโยชน สามารถทาใจให้เราได้สม บ, บได้ในระดับหนึ่งที่พอที่จะทําทให้เราสามารถภาวนาต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้เสียงทาหนูก็ค่อนข้างสติดการฟังธรรมค่ะเดี๋ยวคือหลังเหมือนถ้าเราไปฟังวิดีโฟังเพลงแล้วมันเสียงมันจะมาติดอยู่ในหัวหนูก็เลยไม่อยากจะฟังแล้วค่ะเออดีนะ ล, ละอย่าไปฟังฟังธรรมดีกว่าฟัางธรรมแล้วมันจะร้อดได้มันจะค่ะ หนูก็ใช้วิธีแบบอย่างเมื่อวานนี้ยคือตั้งใจเลยว่าจะจะจะไม่แบบคือไม่ถึงขั้นถือสี่แปดนะคะแต่ว่าก็จะไม่เอาทางบันเทิงเลยค่ะเพจะตั้งใจว่าเออจะปฏิบัติแบบตลอดทั้งวันอะไรอย่างนี้เท่าที่จะทําได้นะค่ะก็ลดลดนดอาการเสกกลางลงเสียงกลิ่นลดค่ะก็เป็นเริ่มต้นอาจจะไม่มีกําลังที่จะถือทั้งแปดข้อได้ก็เอาข้อใดข้อหนึ่งมาก่อน Uh huh. เดี๋ยวมีกาลังเพิ่มมากขึ้นมันถ้าจิดเราสงบมากขึ้นสมาธิเราดีขึ้นสติเรามากขึ้นนี้มันก็จะไม่หิวหอยกับรูปเสียงกินนมันนะ uh huh. แล้วมันก็จะมีความสุขกับการภาวนามากกว่า uh huh. คือเหมือนเพื่อวันพอพอเราเริ่มผ่านมันไปได้นิดนึงอะคะ่ะมันก็เลยมีความความเพียรนะคะ uh huh. วันนี้หนูก็เลยใช้วิธีแบบ ทานอาหารแค่มื้อเที่ยงมื้อเดียวแล้วก็หลังจากนั้นหนูก็ไม่ทานอะไรอีกเลยเพื่อที่ว่าเดี๋ยวลูกเอาลูกนอนเสร็จแล้วหนูจะขึ้นมานั่งลูกขึ้นมานั่งสมาธิต่อมันจะได้แบบว่าท้องว่างๆนะคะพระอาจารย์ได้ดีที่นั่งไม่โม่งนอนนะกินอาหารเรย็นแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะโม่ ง, ม, งมันอยากจะนอน ค่ะใช่หนูก็ตั้งใจเพราเหมือนพอมันทําได้มันก็เลยมีรู้สึกตื่นใจอะค่ะมันมีความพยายามก็เลยจะมากลับเรียนพระอาจารย์ด้วยแล้วก็นั้นหนูจะเอาข้อคิดตรงเนี้ยไปปฏิบัติต่อแล้วก็ครั้งหน้าจะได้มาส่งการบ้านได้ว่าเผื่อจะมีการพัฒนาบ้างอะค่ะอ่าดี่มากสาธุพยายามทําไปเรื่อยๆนะค่ะก็จะพยายามแต่มันชอบแบบบางทีมันก็ถอยหลังอะค่ะเหมือนพอไปเจอกิเลสเราก็รู้สึกว่า เออเราทำไมแย่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะพอเจอกลับมานั่งมันก็เลยนั่งไม่ค่อยสงบเท่าไหร่อะคะ่ะพระอาจารย์มันก็เลยถอยอะค่ะเราต้องเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติ <c oughs> <c oughs> ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด <c oughs> ของเราเลยที่เดียวก็การปฏิบัติอ <c oughs> ย่างอื่นก็เพียงแต่ทํำท่าที่จําเป็นไปค <c oughs> อนนันไหนไม่จําเป็นก็อย่าไปทํำมัน <c oughs> <c oughs> ตอนตอนนี้เห็นความจําเป็นแล้วค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอพอดีคืนก่อนหนูฝันว่าแบบเออหนูเออหนูก็คือหนูตอนนี้หนู่พิจารณาแล้วว่าหนูได้เจอกับพระอาจารย์หนูก็ต้องรีบเล่นความเพียรแล้วอ่ะค่ะเพื่อว่าจะได้มีข้อติดอะไรจะได้กราบขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยชี้แนะให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูก็เลยคิดว่าต้องพยายามเต็มที่อะค่ะตอนนี้เลยกลับมาตั้งใจ yeah. Yeah. Yeah. ค่ะค่ะงั้นก็ไม่มีวันอันนี้วันนี้มันไม่มีคําถามแล้วอะค่ะพระอาจารย์ okay. กับคุณสารถเจ้าค่ะนี่ไปที่คุณหมอพิเชษเชษเป็นหมอเก่ารอนสการ์ป้าอาจารย์ครับขอกับสแสดงเรษมุจิต า, าจิตครับอาจารย์ในโอกาสที่ในหลวงทรงแต่งตั้งสมณศักดิ์อาจารย์เป็นพระราชวัชระสังวรมุนีขอให้พราะอาจารย์มีธาตุขันธ์แข็งแรงและ น่มพล่มใสให้กับญาติโยมทุกท่านไปตราบนานเท่านานครับพระอาจารย์ยสาวนะครับก็เอ่อมีคําั่งเอ่อมีคําถามที่จะเรียนกับความเมตตาพระอาจารย์ที่ว่าพระพุทธเจ้าได้จัดไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมผู้นั้นชื่อว่าอุชาติถาคตการปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมนี้มีประหมายอย่างไงครับพระอาจารย์ เออปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนมุชูปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติเต็มที่เต็มร้อยไม่ทะเลทะไลถ้าเป็นนักเรียนก็ไม่หนีเรียนเรียนถึงเวลาต้องเรียนก็เรียนถึงเวลาต้องปฏิบัติต้องนั่งสมาธิก็นั่งไม่ใช่ผัดไปวันนี้ไม่อยากนั่งเลยอย่างนี้มันก็ ก็ถือว่ายัางไม่ปฏิบัติดีถ้าปฏิบัติดีนะต้องปฏิบัติเต็มที่เต็มร้อยปฏิ บ, ฏบตัติอุเชปฏิบัติตรงก็ตรงต่อพระนิพพานนะตรงต่อการหยุดพ้นจากการเวียนว่าตาเกิดหรือตรงต่อหลักธรรมคาสอนก็นะตรงต่อมาแปดเนี่ยต้งเอาต้องปฏิบัติให้ครบบางคนคิดว่าสมาธิยาก ไ, ไม่ต้องปฏิบัติมันก็ได้นี่ไม่ถูกไม่ตรงกับหลักธรรมคาสอน ทำต้องมีสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วถึงจะมีสัมมาทิฏฐิสัมมา ส, มาสามังโฆคือปัญญาเกิดขึ้นปฏิบัติตรงยายะปฏิบัติเพื่อการหลดพ้นจากความทุกยายะนะสามีจิตเพื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนนีลักษณะของการปฏิบัติธรรมเพื่อกทํา ก็ปฏิบัติแบบพระอริบรยบุคคลนะพระอริยบุคคลท่านกปฏิบัติในสี่ลักษณะนี้นั่นถึงกลายเป็นบุคล 4. 4คลสี่สี่คู่มีพระสสนาบันพระสกิณาคาพระอนุคามีพระอาน า, หานี่คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัตชิชอบปฏิบัติสมควรต่อทานเป็นผู้ที่บูชาตถาคตอย่างแท้จริง เพเจตนารมของวระเจ้าในการสละ เ, เวลาอันนี้ของท่านมาอุทิศชีวิตของท่านตลอดระยะเวลาสีิบ้าปีก็เพื่อเราทำหน้มามาเผยแผ่สั่งสอนได้แก่สามโลกผู้ยังติดอยู่ในกองทุกข์ให้น้อมน้อมเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เวลาที่หลุดพ้นจากความทุกข์พวกจะทรงบุทานอย่างทรงแสดงธรรมครั้งแรกป่วยห้่าญาณคนท่ญญานยักลุกนัานหลอลุกนัานหลอ ให้ก็บอกอัญญาณถ้รู้แล้วคนสอนมีมีกำลังใจสอนแล้วคนฟังเข้าใจไม่ใช่สอนไปแล้วเหมือนกับเหมือนกับทัา พ, พีในหม้ อ, อกแกงมันไม่นเราฟังไม้รู้เรื่องอะไรสอนอะไรมาทาํำทำมันต้องฟังแบบเน้นกับแกงเ น, น้นเนสัมพันกับรสของแกงแม่ประโยชน์ดเดียวว่ามันว่าเป็นแกงอะไร ถ้าเป็นทับเพีในหม้อกแกงร้ามันใช่อยู่ในทัพียเป็นวันเป็นเดือนมันก็ไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไรอย่างปฏิบัติต้องปฏิบัติแบบนล่นกับแกงฟังเทศฟังธรรมต้องต้องรู้ว่าเรามาลังฟังอะไรพิจารณาตามได้กับพิจารณาไปเพื่อเกิความเข้าใจอันนี้ก็คือเรื่องของการบูชาปฏิบัติบูบบชา เข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอน้อมนําไปปฏิบัติกับ อ, อาจารย์แต่สาหรับท่านที่ยังมีอินทรีย์อ่อนยังไม่สามารถปฏิบัติบูชาได้ก็เอาอามิสบูชาไปก่อนถวยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยอปัจจัยสี่อย่างนี้ก็ยังเป็นอามิสบูชาคือเป็นการทำทานนํนำทา น, นกับพระพุทธศาสนาแล้วก็อาจจะมีเครื่องสักการะ เหล่าไมทุกทีอะไรอันนี้กาเป็นอมิสบูชาไปก่อนอันนี้สมอยากอมิสบูชาก็ได้ไปสวรรค์ชั้นเทพแต่ท่าต้องการจะไปสวรรค์ชั้นนิพพานมันต้องปฏิบัติบูชาแต่มันก็ยากยากกว่าอมิสบูชามันก็มีสองทางสองระดับถ้ายังไปไม่ถึงระดับปฏิบัติ ก็เอาอาบิสบุชานไปก่อนเป็นภาษาในอนธิษฐานว่าจะทำใส่บาตรทุกวันหีทํทำบุญทำทานากับใครก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาสมเคราะห์ผู้ยากไร้อะไรต่างๆแล้วแต่เราจะทำได้นามาทาไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอาบิสบุชาโอเคนะหมอครับครับขอบคุณนะครับเจ ยอมสาตกาอ ย, ย า, กกากชชยง่ายสังคำอาจารย์ปฏิบัติค่ะไม่มีปัญหาะไรนะทุก อ, อยากไม่ไหวกลางถึงจะ ไ, ไปที่คุณดิศยากับคุณอุสานาะฬาที่ว่าที่ว่าโดนระเบิดไม่ได้นวัตกรรมค่พระอารนวัตกรรมอาจารย์ อยู่อำเภอเดียวก<ม>ันนึกแบบอยู่คนละอำเภอค่ะอาจารย์อยู่คนละอำเภอค่ะอ่าวันนี้โยมฟังธรรมของอาจารย์ใช่ไหมคะซึะ่งมันเป็นวันเข้าพรรษาทุกปีโยมก็จะปรณนธาทุกปีปีนี้โยมก็ปรนนธาว่าจะถือสิงหแปดเป็นเวลาหนึ่งเดือนค่ะอ่าดีจ้าที่ผ่านเดียวนะฮะก็ถ้าคิดว่าถ้ายังไหวก็จะไปต่อค่ะแต่ว่าไม่กล้าตั้งไว้สูงค่ะเอาไว้ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยขยายที่ผ่านมาก็แค่ อ่าวันพระค่ะแต่ตอนนี้คือพอทุกวันพระนี่ก็เป็นนิสัยไปแล้วใช่ไหมคะเข้ามาเป็นสามวันก่อนวันพระวันพระแล้วก็หลังวันพระแต่ปีนี้ก็จะเอาหนึ่งเดือนนะคะเอาทุกวันเลยนะค่ะทุกวันหนึ่งเดือนค่ะอแล้วก็ถ้าไหวก็จะไปต่อก็เพราะว่าฟังอาจารย์เทพวันนี้เออมันตรงกับใจเราเพิเพราะว่าของโยมเนี้ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะสอนว่าพอเข้าพรรษาบุให้ปรณนากันโยมก็ขอข้อหนึ่งอะค่ะเขาตื่นตื่แล้วก็จะทํา ค่ะแล้วก็พอมันมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจาย์มีรุ่นพี่เขาประสบบัติเหตุใช่ไหมคะขาหากักแล้วโยมก็นั่งคิดเออเนาะเขาเจ็บแต่มาคิดได้ว่าความเจ็บมันไม่มีอยู่จริงเดี๋ยวมันก็หายมันไม่อยู่นานก็เออชุกใจแต่ไม่กล้าพูดกับพี่เขากลัวพี่เขาว่าเอาอะคะ่ะแต่คิดเขาเป็นแบบนั้นก็ก็รู้สึกว่าเออมีกําลังใจอะค่ะอาจารย์เราอย่าไปทุกข์กับเขาแล้วกันคน่ะใ ช, <ม>ใช่เดี๋ยวเขากําลังเจ็บอยู่เดี๋ยวเขาจะว่าเรา<ม>แต่เราก็มองคิดว่า มันมันก็เป็นอยู่เดี๋ยวมันก็หายไปเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่เราไม่รู้เท่านั้นเองใช่ตัวอย่างวันนี้อาจารย์หมดนะครใช่ค่ะก็จะต้องเชื่อดีก็อนิจจังเชื่ออนิจจังส่วนตอนฟังธทำโยมจะเผยตอบตอบคําถามแต่ก็จะเผยคิดตามอะค่ะอาจารย์พออาจารย์เทศแล้วปุ๊บโยมเออจริงด้วยเนาะมันเป็นแบบนี้เนาะได้สชไหมคะได้แสดงว่าเราวิเคราะห์พิจารณาทำเราจะได้เกิดความเข้าใจ แต่บางทีก็เอ๊ะได้ไหมก็รีบกลับมาแต่มันก็เปิดตอบอะค่ะ เ, เปิดตอบเองค่ะ<า>อันนี้<ก>ไดใช่ไหมคะได้บางทีก็ยังไม่เข้าใจก็ปล่อยมันผ่านไปก่อนค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์จะพยายามต่อไปคะ่ะ อ, อสาธุค่ะคุณดูษาคุณดิศรรยามีอะไรไหมมีคะ่ะพระอาจารย์อพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนโอเคค่ะคือเอ่อช่วงช่วงเข้าพรรษาปีที่แล้วค่ะหนูก็ ภาวนาว่าจะไม่ใช้น้ําหอมแล้วก็จะกินมื้ออาหารนะคะก็จะก่อนแบบรับประทานก่อนเที่ยงจนตอนนี้ก็ชินกับการกินสองมื้อค่ะพระอาจารย์แต่ว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สักเดือนสองเดือนที่บอกพระอาจารย์ะค่ะว่าหนูจะไม่ใช้น้ําหอมใช่ไหมคะคือก็ลืมเข้าไปเลยะค่ะไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรแต่เริ่มเพิ่มขึ้นมากลายเป็นแบบว่าพยายามจะไม่ไม่แต่งหน้าค่ะพระอาจารย์กลายเป็นว่า แรงแรงมันเริ่มมันเริ่มดื้อแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็มันยากกับการแต่ว่าเหมันกับว่าแรงเขาออกกลายเป็นว่างแบบกิเลสตัวนี้งองแงค่ะแล้วก็ทําให้เราทําอะไรรวนไปหมดอย่างเช่นถ้าจะนั่งสมาธิก็จะลงได้ยากหรือว่าเวลาเจอแบบว่าทุกวันที่เจอเด็กหรือว่าเจอผู้ปกครองมันก็จะมีปัญหาใช่ไหมคะมันก็จะสั่นมันจะสะเทือนง่ายกว่าเดิมค่ะพระอาจารย์ ก็แรงต้านของกิเลสมันมันมีมากขึ้นแล้วแรงสู้ของเราคื ส, สติมันยังไม่มากพอมันก็เลยสร้างปัญหาขึ้นมาได้งั้นเราต้องเล่นความเพียนเพิ่มมากขต้องกำเรนบสติให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ต้านกํากลังของกิเลสปัญหาที่มันอยากจะกลับไปใช้น้ําหอมใช้อะไรอันที่มันเคยชอบ ก็พยายามฝึกสตินักสมาธิให้มากขึ้นมันถึงจะสามารถที่จะอผ่านจุด น, นี้ไปได้ถ้าเรายังปฏิบัติแบบอย่างนี้อยู่มันก็มันก็ถูกมันลุกเท่านมันบุกลุกอสร้างความอึดอัดสร้างความรำคาญไม่สบาย อ, อกสบายใจให้กับเราเพรฉะนั้นเราพยายามสร้างความเพียรให้มากขึ้น ยังจะข้างโนอันนี้ไปได้อ ะ, อะหน้าอึดอัดอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็ใช้วิธนีนั่งสมาธิตอนเช้าอย่างเงี้ยใช่ไหมค ะ, ะก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ลงไปที่ความสงบมากค่ะได้แค่ตอนแค่มีความสุขนิดแบบจุดที่แค่เรามีความสุขอ่ะค่ะมันก็เย็นได้แค่ครึ่งวันค่ะพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็เวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาก็คือต้องใช้ปัญญาบอกว่าเออก็ ไม่เห็นไม่ไม่เป็นไรเลยมันก็ปัดตกได้แป๊บเดียวไม่ก็ขึ้นมาใหม่เราต้องใช้กําลังในการปัดตกอะค่ะพระอาจารย์ก็ใช้บางทีหนูก็ต้องโอนโอนเงินทําบุญค่ะแล้วก็บางทีตอนนี้เริ่มเอาผ้าพระอาจารย์เป็นผ้าพื้นหลังแล้วค่ะแล้วพอเห็นปุ๊บก็กลัวหมาถึงว่าก็เกรงใจแล้วก็พยายามแบบว่าโอเคโอเคไม่ได้ไม่ได้ไไดค่ะพระอาจารย์กำลังเพิ่มช่วงปฏิบัติช่วงกลางวันพอกําลังหมดครึ่งวนันก็ลองเติมกําลังนั่งสมาธิก็ เราสามารถนั่งได้ทุกวันทุกเวลาเวลาไหนเราเพียงแต่ตัดาตารางไว้ว่าเอ า, เ ร, า, เ ร, าเรามีเวลากินข้าวเราก็ต้องมีเวลาให้กําลังกับใจอาหารใจด้วยพอ ร, รู้กําลังใจเราหมดแล้วเราก็ต้องเสริมเติมน้นเติมน้นมันลบเนี่ยมันถึงจะไปต่อได้นั่นท<า>งทำดุเสิ่<า>ง ลองเพิ่มการนั่งลองช่วงครึ่งครึ่งวันเนี่ยพอรู้ว่ากำลังหมดแล้วความเย็นหมดแลก็ลองนั่งสมาธิใหม่หเวลาทักทึ่งจะมองอได้โ ย, ยมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนะคะอาจารย์โยมขออนุญาตนะคะอาจารย์ยยตอนนี้นะคะอาจารย์กลายเป็นว่าการแต่งกายของโยมอะคะ่ะจะกลายเป็นสีสีขาวสีฉุดฉาดจะเริ่มไม่กล้าใช้ ด้วยความเกรงใจคือจริงๆอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราทําแล้วเราก็คือเพื่อนึกถึงครูบาอาจารย์นะคะหน้าก็ไม่แต่งแป้งก็ไม่ได้ใช้มา น, นานมากแล้วค่ะอาจารย์มันกลายเป็นนิสัยความเคยชินแล้วก็พอจะมาใช้นึกถึงคําสอนของบาอาจารย์ของอาจารย์นั่นนะคะก็เลยอเออไม่ใส่ก็ได้เลยรู้สึกว่าบางทีเราไปในกลุ่มเนี้ยเราจะกลายเป็นอะไรแปลกๆเพราะตัวดําอยู่แล้วใช่ไหมคะมตัวคนอื่นเขาตัวขาวทาปากแดงเรารู้สึกเราแปลกแยกอะคะ่ะอาจารย์ แต่ก็ไม่แคร์ค่ะจันก็พยายามทําอยู่ค่ะไป<น>อาจจะอาจจะไปน้อยลงไม่ได้ไม่อไปทไําไมเมื่อเราไปแยกแล้วเราก็เราก็ต้องแยกออกใช่ค่ะมีเรื่องคุยยากขึ้นค่ะไปเท่าที่จําเป็นไปเพื่อไม่ให้เสียน้ําใจอะไรไปค่ะเพราะเพื่อนบอกชวนถ่ายรูปไม่เป็นไรเอาเป็นเลยตามสบายค่ะแบบนี้ค<น>่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนอื่นเขาสดใสนะคะเสื้อผ้าสดใสริมจี ป, ปากแดงส่วนโยมก็ตัวดําอยู่แล้วก็หน้าดํา เสื้อขาวบางทีก็นุ่งขาวดำไปหรือว่าใส่สีซบซบไปอะคะ่ะก็รู้สึกทำให้เขาหมดหมองอเปล่าๆก็เลยไม่ค่อยเข้าเฟรมกับเขาวะะ่าค่ะกลายเป็นว่ามันเหมือนกับว่าเป็นพยมไปที่หน้าผุติใช่ไหมคะทุกคนก็แต่งตัวเรียบง่ายแบบนี้ ก, ก็เราทำแบบนี้ก็ดีคะ่ะก็ติดติ ด, ตดเริ่มติ ด, ต, ดติดมาะค่ะอาจารย์ก็เป็นธรรมดาเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะเหมือนกับ มันกับรถไฟที่มีมีรางที่มันเริ่มแยกออกจากรางที่เราเคยวิ่งกนะันเพราะมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วเรามีความสุขจากความสงบเราไม่ได้มีความสุขจากการเสีรูปเสียงกลิ่นรสสีสันของเสื้อผ้า น, นี่นืออะไรต่างๆมันเป็นของไรสาระบางทีเพื่อนเขาก็ถามอะค่ะบันทีเพื่อนเขาก็มองๆแต่ยมก็เฉยๆ แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมาดูตัวเองว่าเออเราหลงในรูปเสียงรถจริงๆเพราะว่าชอบเรื่องเรื่องสวยงามตอนนี้ก็เลือกถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นดอกไม้แต่ว่ามีบ้างนะคะถ่ายให้เพื่อนอย่างนี้บ้างแต่เริ่มเริ่มชมอะไรแบบนี้น้อยลงอะคะอ่ะเมฆนิ่งแงดูน้อยมากอะค่ะจางมันก็จะกลายเป็นความซึมซับไปะคะ่ะจิตเข้าข้างในมากขึ้นมีสติมันก็จะดึงจิตให้เข้าข้างในเข้าหาควาสมสงบ ค่ะใช่บางทีเผลอตัวแงนปุ๊บก็ดังอุ้ยก็กลับมาต่อบางทีแงนอุ้ยก็มันจะมีอุ้ยขึ้นมาค่ะแล้วเราก็กลับมาเหมือนเดิมอะคะ่ะพยายามทำไปเรื่อยๆนะอไปมันก็ไม่อยากจะไปสูงสิงกับใครไม่อยากจะคุกคีกับใครเราจะผิดปกติไหมคะก็ผิดจากสังคมจากโลกไงแต่ไม่ผิดทางธรรมมันถูกทางธรรมแต่ผิดทางโลกทางโลกกับทางธรรมมันเป็นคนละขั้วกันคนเข้าด้วยกันไม่ได้ ใช่พอพอเปิดปุ๊บเขาก็ให้ให้มาถ่ายรูปกันบอกเออเราออกมาปุ๊บเราดำอยู่คนเดียวเลยค่ะแล้วก็พอบังเอิญวันนั้นเขาให้โยมออกไปพรีเซนต์งานใช่ไหมคะโยมก็ไปทั้งหน้าตาดำด ำ, ดำแบบเนี้ค่ะผุมก็เป็นแบบเนี้ค่ะแล้วก็ออกมาไปไปพรีเซนต์งานเสร็จก็กลับมาดูรูปเออดำดีจริงๆด้วยะคะ่ะอาจารย์แต่ว่าก็ก็โอเคค่ะสบายใจดีไม่ได้อะไรแต่ก็ให้เกียรติงานเขาอ่ะค่ะ ก็ถ้ามันจําเป็นจริงๆต้องให้เกตเขาแล้วก็แต่งตัวเหมือนตามปกติที่เราเคยแต่งก็ได้คิดว่าเราเป็นการเป็นเนันร้องฉากหนึ่งนั่นเองตอนนี้แป้งเหม็นหมดแล้วค่ะอาจารย์ไม่ได้ใช้นาๆก็คงเป็นแบบนี้ละค่ะอาจารย์ไม่ได้เดือดร้อนละค่ะก็คงจะเป็นอย่างนี้ต่อไปค่ะถ้าเราไม่เดือร้อนก็ได้ไปคนเดือดร้อนก็ในของเขาใช่ใชาไม่ได้ไปทำอะไรเขาถ้าเดือดร้อนแทนเราก็ช่วยไม่ได้นะ ตาตู้ขาจานขอบพระคุณมากค่ะ ค, <ตา S 1> คุณนอนคุณอ น, า น, านอนงกอทำไมยังไม่ได้ยินเสียงยค่อยแล้วกันได้ยินไหมคะดังหน่อยดังมานี้หน่อยได้ค่ะดีขึ้นไหมคะ ด, ดีแล้วดีแล้วก็อเมื่อวานนี้โยมลองพยายามเมสัตชิกไม่นอนได้ถึงแค่เกือบเกืีสี่หมดสภาพกับอาจารย์ ก็ก็ดีนะปีสี่ก็แหลืแค่สองชั่วโมงเท่านั้นสวัสอีออก็ผมรู้สึกว่า ก, ก็คิดว่าก็ดีค่ะก็ว่าจะลองไปในพรรษานี้อก็ส่วนพรรษานี้ก็ตั้งใจไว้ว่าที่ครั้งที่แล้วท่านพระอาจารย์ถามก็คิดว่าตั้งใจว่าจะถือศีลแปดแต่คงไม่ได้ทุกวันตั้งใจว่าห้าวันต่อสัปดาห์ดูก่อนละกันค่ะท่านง่ายง่ายทำ่ า, ท, าที่เราทําได้ไปก่อนไม่ต้องโลภมาก ดีเราไม่ได้ทําเลยนะขอให้เริ่มตอนที่จุดนะทั้งจุดหนึ่งก่อนเนาะถ้าสามท่านดีแเรวก็ขยับขึ้นไปไเมื่อยใชใครก็คิดว่าตั้งเป้าหมายให้ดูเพราะว่าดูจากงานดูจากหลายๆหลายๆอย่างก็คิดว่าห้าวันเนี่ยเราน่าจะพอทําได้แล้วถ้าเราทําได้แล้วก็อาจจะขยับขึ้นไปเหมือนคุณพี่เมื่อกี้ที่บอกว่าเริ่มจากหนึ่งเดือนแล้วก็<ม>ขยับเพิ่มเติมค่ะอ แต่ก็เมันต้องคอยผลักดังการปฏิบัติให้มันเพิ่มมากขึ้น อ, อยู่เฉยมันจะไม่เพิ่มขึ้นเป็นของมันเองใช่ค่ะจะต้องจะต้องแบบมีความเพียรคือต้องเพิ่มโจทย์ที่ยากขึ้นเพื่อให้เราความทาัดทายพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มขีณฑความสามารถของเราให้มากขึ้นค่ะใช่ค่ะาอาจารย์เมื่อวนานโยมีอ่านหนังสือเวญจังค่ะเวญจังค ร, รับครับูนี่โยมีคําถามนิดนึงค่ะในสุ บ, บทธรรมจักร กับปวัตนสูตรนะคะอาจารย์จะมีอยู่คำแปลนหนึ่งบอกว่าดูก่อนพิสุกทั้งหลายปัญญาอนุรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างโยมไม่แน่ใจคำว่ารอบสามกับอาการสิบสองอย่างคืออันนี้หมายถึงสิ่งที่พิจารณนาะท่านอธิบายมาข้างต้นทุกอริยสัจอะไรพวกนี้ปล่าคะท่านอาจารย์ ตอนนี้เราก็ไม่<ช>ไม่ทราบเมือนกันแต่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สําคัญขอให้เรารู้ว่าทุกเป็นอะไรอ่าแล้วก็ต้นเหตุสมุทัยของทุกคืออะไรแล้ววิธีที่จะดับทุกดับได้ด้วยอะไระนี่พระพุทธเจ้าบางทีแสดงธรรมได้มีความละเอียดมากอื่าทุกนี่ต้องกําหนดรู้เราได้กดําหนดรูแล้ว โดยที่เมื่อก่อนนี้เราไม่ไม่เคยรู้มาก่อนอันเนี้ยท่านก็นจะไดงแบบรายละเอียดให้ฟังสมุทัยที่เท่องละเราก็ได้ละนะโดยที่เมื่อก่อ น, นเราก็ยังไม่เคยละเราตอนที่เราละได้แล้วี่ะได้ตอนแรกอยู่องค์ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงนี้มีความสําคัญไหมเลยคิดว่าลองมาสอบถามดู แต่ว่าอ่านวักต้นๆมาก็เข้าใจในสิ่งที่แปลมาอธิบายมาให้เรารูา้ว่าอริยสัจสี่กิตในอริยาาสัจสี่คื อ, อ, อก็คือเราต้องกำหนดนุกทุกวันทุกอยู่ที่ไหนเกิดตอนไหนเกิดตอนแก่เกิดตอนเจ็บตอนตายเกิดทุกอะไรทำให้เราทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ตานหางความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายอยากจะอยู่ไปนานๆแล้วมันเป็นไปได้ไหมถ้าใช้มรมาพิจารณามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดแล้วจะต้องดับเป็นธรรมดาเราก็ยอมรับทั้เสียอยาไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันเป็นไปทุกข์ก็จะดับไปนี่รอก็เกิดขึ้น นี่คือแนวทางของการปฏิบัติในอริยาศาสตร์สิดีค่ะท่านก็ศึกษาพอดีเมื่อวานพอวันอัสสาระหะก็เลยลองมาอ่านคำแปลดูว่าที่สวดมนต์สวดมนต์ยาวๆเนี่ยสวดไปทำไมไม่รู้ไม่เข้าใจ<笑><笑>ส ว, ด ไ, ะะสวดไปทำไมใช่ที่ท่านนะคับสวดไปบาลีเราไม่เข้าใจเลยก็เลยแปลนหนังสือพระจารย์ค่ะ ก, ก็ดีมากขึ้นพอสวดต่อไปเราได้ยินก็จะพึง ออกว่าอ๋อความแปลความตั้งความหมายของที่พระเจ้าแสดงเป็นแบบนี้แ ล, แล้วลรู้ความเป็นไปบป็นมาของเหตุการณ์ด้วยได้ค่ะดีมากเลยค่ะยิ่งบทมหาสติประฐานสูตรอุยยาวมากเลยค่ะตกแต่มันก็มันมัส่วนมันก็ซ้ำกันซ้ากันได้ค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะก็เข้าพัญษานี้พยายามจะเพิ่ม จำนวนเวลาจากหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปคือเป็นความตั้งใจมาตลอดเลยครับอาจารย์ก็คิดว่าจะเพิ่มให้ได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงถ้าไม่ได้ติดต่อกันก็คงต้องใช้วิธีวันหนึ่งอาจจะมากรอบหน่อยนะคะอสะสมแต้มไว้อาจารย์ดีมากความเพียรพยายามเท่านั้นที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นะได้อาจารย์อก็ขออนุญาตขอสมัมุทิตาสักกาพระอาจารย์นะคะ อ่าอนุโมทนาอ่าไม่เป็นไรละไม่ต้องไม่ต้องแสดงกันทุกคนอเดี๋ยวคืนนี้ไม่ต้องฟังอะไรกันใ่ะได้ารย์หรือว่าทุกคนได้แสดงมุน่นที่ตาจิตแล้วก็วลกันที่อยู่ที่นี่ใช่ค่ะพระอาจารย์คุณยอดบดีอาจารสาการก็ค่ะพระอาจารย์ก็มีคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ เออพอดีว่าที่พระอาจารย์ให้เดินจงกรมอะค่ะเมื่อชาวที่ที่กราบเรียนพระอาจารย์ตรงที่ใส่บาตอืมหนูไม่แน่ใจว่าระหว่างที่เรากําลังเดินจงกรมแล้วมันปวดน้องมันมันเจ็บมันปวดเนี้ยค่ะระหว่างระหว่างเราหยุดคือยืดยืดเหยียดตัวเองให้เดินได้ต่อกับทนเดินต่อเราควรจะไปทางไหนอะค่ะออครัยืดเหยียดด้านก็แต่มีสติอยู่การยืดเหยียดไปค่ะ แม่ทำทำทำบริหารร่างกายได้ทำโยคะทําทำหน้าถ้าร่างกายมีอาการอพาชาส่วนใดส่วนหนึ่งเราก็ต้องมาหารจัด ก, การไปแต่ขอว่าเราทําด้วยการมีสติเหมือนกับการเดินจงกรมไปค่ะพอาจารย์ถือเอริยาบทถือสติด้วยการดูการเคลื่อนไหวในในท่าทางต่างๆพระเจ้าบอกแม้แต่หันหันหน้าไปทางซ้ายก็ต้องต้องมีสติรู้ว่ากําลังหันหน้าไปทางซ้าย ันหน้าไปทางขวาวก็ต้องรู้ทางหน้าไปทางขว า, างั้นเราสามารถทําะไรได้ต่อไปที่เรามีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆขอ okay, ค่ะพระอาจารย์เป็นนํามาซึ่งคําถามที่สอง ค, ค่ะคือพอดีว่าระหว่างที่หนูไม่ได้เดินจงกรมนานแล้วค่ะตอนพระอาจารย์แนะนํามาหนูก็เดินหนูว่าพระอาจารย์อ่หนูก็ไม่รู้นะคะแต่พอหนูมานั่งสมาธิปรากฏว่าหนูหลับอาจจะเพราะว่าหนูนอนไปแค่สามชั่วโมงเมื่อวานนี้ ก็พยายามเดินค่ะแต่ช่วงแรกๆอ่ะยังจับจุดไม่ได้ว่าจะดูที่เท้าหรือดูที่อะไรก็เลยมาเปิดคลิปพระอาจารย์เรื่องการเดินสงกลมก็เลยทราบว่าให้ภาวนาพุทโธไปด้วยแต่พอไปทำแล้วก็ยังงงอยู่อีกอค่ะว่าตกลงเราจะอยู่ที่คำบริกรรมหรือจะดูที่การเคลื่อนไหวอะค่ะพระอาจารย์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เลือกเาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้พุทโธพุทโธไปแล่ไม่้องไม่ต้องเท้าก็ได้แต่ต้องรู้ ดูทางที่เราเดินไม่ใช่เดินแบบหลับตาเดินแบบพุโทโธแล้ไม่สนใจไหนก็ต้องดูว่าตอนเดินไปถึงไหนมีข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปเหยียบหรือไปล้มอะไรทำนองนี้ก็ต้องมีสติรู้อยู่แบบสภาพแวดล้อมที่เรากำลังเดินอยู่ข้างหน้าเราส <ะ S 1> แสดงว่าสตินะคะอาจารย์ว่าไปเลยใช่ แสดงวาสติเราจะถูกแบ่งอยู่กับคําบริกรรมด้วยแล้วก็การเดินด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าหนูก็ต้องระวังมดที่เขาเดินอยู่ด้วยเหมือนกันมันก็ไปด้วยกันได้มันไปด้วยกันได้เพราะเพราะว่ามันมันหยุดความคิดของเราได้ในะั่ไเป้าหมายก็คือไม่ให้เราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะค่ะพระอาจารย์ทีนี้ต่อมาพระอาจารย์แนะนําให้อ่านหนังสือด้วยหนูก็เลยบรรจุการอ่านหนังสือลงไปแล้วก็อ่านหนังสือการภาวนาที่ถูกต้องของหลวง ต, งงงตามหาบัวค่ะ ก็เลยได้คีย์เวิร์ดมาเพิ่มก็ก็ช่วยเรื่องการปฏิบัติได้มากค่ะคือที่ท่านบอกว่าให้ให้มีสติแนบอยู่กับคําบริกรรมพอตอนช่วงดท้ายก็เลยดีดีดีขึ้นค่ะค่ะอาจารย์แต่ก็นกที่นี่ร้องเพราะอะค่ะอาจารย์เสียงเพราะ ม, มากๆบางทีใจุกไปหานกอะค่ะาอาจารย์สสเสียงเสียงนกอะเสียงเพราะมากค่ะแล้วก็มีลิงจ๋อมาหนึ่งตัวค่ะมาแอบมองหนูหนูก็เลยรีบเข้าห้องก่อนแต่ว่าก็มาเดินต่อนในห้องค่ะเพราะว่า พอพอได้พอได้คีย์เวิร์ดจากพระอาจารย์ในเรื่องของการทําคุดโธแล้วก็จากหนังสือว่าให้แนบแนบไว้ได้วยกันล่ะค่ะมันมันก็เลยดีขึ้นแต่ว่าวันนี้ร่างกายไม่ค่อยไม่ค่อยดีอาจจะเพราะนอนน้อยค่ะแต่พอได้ได้อาบน้ำแล้วมันมันฟื้นขึ้นก็มานั่งอ่านหนังสืออีกรอบหนึ่งค่ะก็เก็บอะไรได้มากขึ้นค่ะอืทำสามอย่างในสลับกันไปอ่านหนังสือเดินโยมโกนนั่งสมาธิ การอ่านหนังสือมันก็ช่วยเสริมความเข้าเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติได้ดีขึ้นค่ะอาจารย์ค่ะคำถามสุดท้าย ค, ค่ะอาจารย์คะพอดีพอดีหนูไม่ได้ทาอะไรที่ตัวเลยค่ะปกติแล้วหนูเป็นคนแพ้แสงแพ้แดดมีผื่นยอยะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผิวแห้งแต่พอมามาปกติถือสินแปดหนูก็ยังทาครีมของอาจารย์แต่ว่ามาที่วัดครั้งเนี้ยคะ่ะหนูไม่ได้ทาอะไรเลยก็เลยจะถามพระอาจารย์ว่าแล้วจริงๆเราการถือสินแปดถ้าหากเราทาเพื่อ เพื่อไม่ให้สังขารมันแย่เราเวลาทําสมาธิแล้วมันก็จะคันยุบยิบหนึ่งนะคะอาจารย์ทได้ทาได้ถ้าเป็นการรักษาหน้ากายค่ะอาจารย์แต่ถ้าทาเพื่อความอ่ให้มันสวยงามรักษาความสวยงามของผิวนี้ก็ไม่ควรค่ะแค่ไม่ให้มันแตกมันมันไม่มันเป็นปัญหาไม่ให้มันสร้างปัญหาทางสุขภาพอาจารย์ค่ะได้ค่ะอาจารย์กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่จารยสาธุ ที่อาจารย์พรหมพิไายอาจารย์เป็นยังไงบ้างคนนุกโอนอยู่ว่าเป่าครับวักรพรอาจารย์ค่ะกราบกราบกราบครับพระอาจาร ย, ราารย์สบายดีนะคะก็เหมือนเดิมเราทุกวันก็สบายทุกวันดีทุกวันไม่มีอะไรที่จะไม่ดีได้เช่นหน้ากุติหกวัน ไั่ได้มันก็พูดไปเรื่อยๆพอเริ่มพูดมันก็ทำมากมันก็ไหลออกไปเองค่ะแบบฟัมันมันจะทำมากก็ไม่เป็นไรเพราะคนที่มาพามันไม่ได้คนหน้าเก่ามันก็มีคนหน้าใหม่คนหน้าค่ะเจ้าจํานวนเยอะเลยนะคะอว่าอยากจะเรียนถามเมื่อเมื่อวันมันพระใหญ่อนะคะอืมเห็นรับบัตรมีสักหกาดือนแล้วคาร์ลอีสิคาอีส เห็นแล้วยังนับไม่ทวนเลยเยอะจังเลยะวานนี้คนฟังถามคนที่หน้าปกติก็สามร้อยกว่าใช่ใช่ฟังก็พันสี่รอยกว่าคนเดี๋ยววันศุกร์เจอกับนิมนต์พระอาจารย์มาที่บ้านครับทางทางทางหลายอย่าอย่าอย่านิมนต์อย่านิมนต์ทางทางไลน์คนอื่นเขาจะนิมนต์เราทุกคนเรคไม่ได้ แล้วกินนิมนต์นั่นต้องต้องนิมนต์นะไม่นมนต์ไม่นิมนต์เยวะแต่เข้าใจผิดเดี๋ยวเดี๋ยวนิมนต์เต็มค่ะค่ะวันนี้จริงไม่ไม่ถามอะไรดีกว่าค่ะเดี๋ยวฟังท่านนื่นๆนะคะไว้หาโอกาสค่ะฟัง่านอืนก็ได้เรียนรู้เยอะค่ะแลก็ปฏิบัติต่อเนื่องค่ะนะไปที่กาฟกาฟกอ ชื่อเดียวกันแล้วสองชื่อยากคนสองชื่อเนี่ยต้องเลี่ยดทีครับครับพี่ก๊ครับชื่อไหนก็ได้ครัอบอาจารย์คนดิมครับอืมก็ครั้งที่แล้วที่อาจารย์สอนให้คิดเรื่องการทํางานเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ประทับใจอยู่ครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คิดแบบว่าย้อนแบบว่าทวนกระแสก็ ยังรู้สึกประทับใจอยู่ครับแล้วก็สอนให้ เ, เวลาไปปฏิบัติครับก็ยังต้องหาเวลาครับส่วนเรื่องปัญญาก็ออต้องต้องมีสมาธิก่อ น, นครับมันถึงจะเห็นชัดแล้วก็เห็นเห็นได้แบบถนัดครับนนตอนนี้ก็ฝึกสติฝึกสมาธิให้มากมาก่อนช่วงนี้ครับ ครับก็ <im it> ปัญญาจะได้คดีไปฟังมาปัญญาก็จะได้เป็นปัญญาที่แท้ จ, จริงครับอปัญญาตอนนี้ยังเป็นเหมือนสัญญาอยู่ดี่ทำได้ทําไม่ได้เข้าเข้าใจรู้เยอะแต่ว่าไม่สามารถทำให้กิเลสมันหายไปได้เวลากิเลสมาปัญญาวิ่ยังนี้ไปหมด <im it> <im it> ใช่ใช่พระอาจารย์เพราะว่าอาจารย์บอกว่าเออเวลาคนที่ทดสอบอารมณ์เนี้ย อ่ะพอนี่เราก็รู้ว่าจะไปยังไงคือเราก็บอกได้แต่ว่าพอเจอจริงๆมันมันไม่ใช่อะ่ะครับทุกคนละครับขึ้นเวทีท <c oughs> ช่งางมวยโดนหมันนึงงงไปเลยซ <c oughs> ้มเคยซ้ำ ม, มายัางไงที่เลวหมดเลย <c oughs> วัยก็ก็ <c oughs> ตายเอาตอยเอาอย่างดี้ตัวะมานนครับก็ก็ฟังทำของมัจจา์ก็ใช้สโลเก้ ควมอดทนอดทนต่อกิเลสอดทนต่อสิ่งไม่ดีแล้วก็พยายามทําในสิ่งดีเขาบอกเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะครับเป็นตะบะอย่างยิ่งก็อครับทํ า, ากันว่ากถ้าไม่มีความอดทนเจะไปไม่รอดครับอดทนต่อสิ่งที่ไม่ดีอดทนต่อความยากลำบากแล้วก็อดทนในว่าเราจะทําสิ่งที่ดีครับอืม จะไรู้แล้วมีป like out. ัญญาแล้วที่จะเอาไปทําได้หรป่าเอาไปใช้ได้ประโยชน์ได้หรือเปล่าครับนั่นแหละครับครับต้องส่วนดูนองกส่วนดูครับครับครับตามคำว่าคนครับแล้วก็สองมืทิตากครับนะทุกจ้าพี่นคุณนิ่งนะคุณนิงเชิญอ่ายังไม่ได้เปิดไม่ใกล่าวน้ำมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ อ่าพามามีอะไรบ้างหนูแบบว่าจะขออนุญาตแสดงความยินดีกับพระอาจารย์ค่ะพอทราบข่าวหนูก็แบบทางโลกอยู่ค่ะหนูดีใจกับพระอาจารย์เฉยเลยเจ้าค่ะ mm hmm. แล้วคิ้ว่าวันนี้ขอให้หนูได้เก่าทําแสดงความดีขออาจารย์เว้ยนะเจ้าค่ะทํามันไม่พิจนารณาในจังทุกข์ของอนัตตาของโลกธรรม น, นามยุทธะและแสนสุขมันไม่เที่ยงฮนะไม่เที่ยงค่ะ พระอาจารย์คะวันเข้าพรรษาก็ตั้งใจจับปฏิบัติให้มากขึ้นนะเจ้าคะจากที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมซูมก็เกิดกำลังใจมากเจ้าคะ่ะจากที่ปฏิบัติได้น้อยมากตอนนี้ทุกเช้าก็ได้สองชั่วโมงแล้วเจ้าคะ่ะก็แบ่งเป็นว่าสวดมนต์แต่ว่านั่งสมาธิประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเจ้าคะ่ะนี่ไปต่างประเทศมาก็ ก, ก, ก็ถึงเหนื่อยก็จะแบบ อย่างน้อยก็ต้องลุกขึ้นมานั่งสมาธิอย่างน้อยให้ได้สามสิบนาที เ, เจ้าค่ะแม้ไปต่างประเทศก็ยังทำแล้วก็ช่วงข้าพันษาโยมราวนาว่าจะปฏิบัติให้มากขึ้นจากตอนเช้าสองชั่วโมงตั้งใจว่าระหว่างวันจะฟังธรรมหรือว่าอ่านหนังสือธรรมะหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เพิ่มเวลาทำวัดเย็น ก็ทวัดเย็นกับนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมภายในเวลาประมาณสองชั่วโมง<ๆ>ก็รวมรวมกันทั้งวันก็จะเป็นห้าชั่วโมงตลอดสามเดือนเจ้าค่ะดีมากสาวถึงอยากทำนี่มายินดีนะทําานี่ทำยิ่งมากยินดีเจ้าค่ะจะพยายามเจ้าค่ะยิ่งกายที่ผ่านเข้าไปเร่อยๆกา้การหลุดพ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็แบบว่าคือคุณอาของหนูวเจ้าค่ะเขาปฏิบัติมาเยอะมาก เหมือนเขาว่าคือเขาปฏิบัติมาเยอะจนเขาแบบมีฤทธิ์แล้ว่เจ้าค่ะแล้วอยู่ๆเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติแล้วเพราะว่าเขาเขาป่วยเป็นมะเร็งด้วยเจ้าค่ะแต่ว่าเขาก็ใช้สมาธิรักษาตัวเองก็หนูก็ว่าเขาว่าไม่เที่ยวว่าเขานะเขาหมืายควาว่าบอกให้เขาทําไมคุณอาไม่ไม่เล่งถึงนิพพานเลยคือว่าเหมือนเขาว่าสมาธิไปขั้นสูงแล้วทําไมไม่พิจารณามาเดินวิปัสสนาคุณอาบอกว่าไม่หรอก ไม่ยังไม่นิพานหรอกจะคนจะนิพานได้มันไม่ง่ายนะมันต้องบวชต้องเป็นผู้ชายแล้วได้บวชถึงจะนิพานยังไงอะ่ะก็ไม่มีทางนิพานชาตินี้หรอกหนูก็เลยเป็นความเข้าใจผิดกิเลสถูกกิเลสหรอกพระพุทธเจ้าบอกใครที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับรูุ้มาผลนิพานได้ทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายเป็นนักบวชหรือเป็นฆร า, าวาส สมัยพุทธกาลนี่มีคนทุกรูกแปแบบที่บรรยุมากผลนิพพานกัเป็นค า, า, ารวาสนี่ก็สามารถที่จะบรรลุถึงนิพพานไ ด, นได้ได้ได้มันอยู่ที่การปฏิบัติมากแปได้หรือเปล่าอ๋อเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะมีค า, า, า, ารวาสมีอะไรเยอะยะไปหมดคนในสมัยพุทธกาลทุกเพศทุกวัยทั้งหน็กทั้งผู้ใหญ่ สัมาเนยก็บรรทุธรรมได้สามมาเนยมันเป็นอาจารย์สอนมาหาเทระก็มี <laughs> สาธุเจ้าค่ะ <laughs> พระอาจารย์คะหนูเขาโอกาสอีกคําถามนึ่งนะเจ้าค่ะคือว่าเรื่องตัวรู้เจ้าค่พะพอดีว่าคือหนูเคยเรียนครูสมาธิของพระอาจารย์หลวงพาวิญญาณท่านจะสอนว่าเวลาเรานั่งสมาธิไปแล้วพอเราจิตสงบพอว่างนะั่นน่ะให้เราถามตัวเราว่าใครคือผู้รู้ ถามไม่ได้ถามทุกครั้งแต่ว่าไม่ต้องหาคําตอบแล้วจนกว่าวันหนึ่งที่จะรู้แต่หนูก็บางทีก็ลืมลืมบ้างแต่บางทีก็ถามบ้างก็ปฏิบัติไปเจ้าค่ะวันนั้นมีเพื่อนที่เป็นสายหลวงพ่อก็มาถามหนูว่าตัวรู้เกิดขึ้นหรื อ, อยังรู้ไหมว่าใครคือผู้รู้หนูก็ลืมชิดเรื่องนี้ไปเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็แบบเออท่าหนถ้าหนูคุยกับเขาแล้วหนูจะเถียงกับเขาไหมหนูก็เลยแบบอืมไม่อยากจะตอบว่าอะไรแต่ว่าหนูก็ แหนูมานั่งพิจารณานะคะว่าตัวรู้เนี่ยมันใช่มันใช่เวลาที่จิตสงบแล้วเรารู้ว่าร่างกายกับจิตของเราอะ่ะมันเป็นคนละส่วนกันหรือเปล่าคือเนี้ยหนูหนูห น, ห น, หนูคิดในใจของหนูนะคะคือหนูเพิ่งจะพิจารณาหลังจากที่เขาถามหนูเนี่ยแหละหนูอ๋อตัวรู้มันใช่ความที่เรารู้หรือเปล่าว่ากายกับจิตมันคือคนละส่วนกันเหมือนว่าสมมติว่าถึงเราจะมี เวทนาอันนั้นมันก็เป็นร่างกายแต่ว่าจิตเราอ่ะมันเป็นอีกส่วนหนึ่งคือกายกับจิตเนี่ยมันมันแยกกันทีนี้ว่าตัวรู้เนี่ยมันก็ ก, ก็ก็หนูคิดว่าหนูรู้แค่นี้แต่ว่าตัวรู้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นตลอดพอเราออกจากสมาธิปุ๊บเราก็พอกิเลสเข้ามาปุ๊บคราวเนี้ยเราก็กลับไปเป็นตัวเราอีกแล้วเรากลายเป็นคนเดิมที่เราลืมตัวตัวรู้เนี่ยมันหายไปเลยเจ้าค่ะฉะนั้นตัวรูว้่มันก็คือไม่ใช่เกิดตลอด มันรู้แค่บางช่วงนะเจ้าค่ะหนูก็ไม่รู้หนูก็มาถามพระอาจารย์ดีกว่าเจ้าค่ะว่าหนูเข้าใจถูกไหมเจ้าค่ะแล้วมันรู้อยู่ตลอดเวลาแต่มันถูกตัวคิดบังเอาไว้พอเราเริ่มคิดมันตัวรู้มันก็เลยเหมือนกับถูกตัวตัวคิดนี่มันมันบังเอาไว้แล้วก็อยู่กับความคิดไปยู้รู้อยู่กับเรืที่เราคิดแต่พอเราหยุดคิดแป๊บหนึ่งตัวที่บางตัวรู้มันจะหายไป ก็เหลือแต่ตัวรู้ที่อยู่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยเข้าใจไหมตัวรู้นี้เหมือนเหมือนกับจอทีวีเนี่ยตัวจอเนะี่ยตัวจอคือตัวรูว้ส่วนภาพภาพที่ปรากฏบนจอนี่คือตัวคิดเนีลวลาเราเปิดเวลาเราเปิดทีวีขึ้นมานี่เราจะไม่เห็นจอเนี่ยเราจะเห็นแต่ภาพภาพที่ปรากฏบนจออีกทีหนึง่งแต่พอเราปิดปิด ตัวทานแล้วภาพมันภาพที่อยู่บนจอมันหายไปก็เหลือแต่จอว่างๆเปล่าๆนั่นแหละคือตัวตัวรู้เป็นอย่านั้นตัวรู้เฉยๆไม่มีความคิดปรุงแต่งมันก็จะเห็นตัวรู้ชัดเจนนลตัวรู้ไม่ใช่เป็นตัวปัญหาไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปก้นหามันไม่ต้องไปสนใจมันว่ามันเป็นอะไรหรืออย่างไรการปฏิบัตินี้ไม่ได้ต้องการที่จะไปหาตัวรู้ การปฏิบัตินี้ถ้าการหาตัวกิเลสมากกว่าอเจ้าค่ะอตัวกิเลสเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราออืเวลาไม่มันได้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็อาจจะต้องคุดคุยหามันให้มันอยู่ที่ไหนแบบซ่อ น, นอยู่ตรงไหนต้องหาวิธีดลอกล่อให้มันออกมาให้ได้เพื่อที่เราจะได้กําจัดมันในการปฏิบัตินี้ไม่ได้เป้าหมายไม่ได้เป็นการไปหาตัวรู้เป้าหมายคือการหาหาหาตัวกิเลส หรือให้รู้ว่าตัวไหนเป็นกิเลสตัวไหนไม่เป็นกิเลสเจ้าค่ะอาจารย์คะตัวตัวรู้เนี่ยก็คือเป็นอนิจจังด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เป็นไม่เป็นตัวนี้มันเป็นตัวที่ไม่ได้อยู่ในภายใต้ก่อนอิจจังมันเป็นธาตุรู้ที่ไม่เกิดไม่ไดับแล้วภายในธาตุรู้มีตัวคิดอีกทีหนึง่งไอ้ตัวตัวคิดเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับ คิดทั้งนี้แล้วก็หยุดคิดเหมือนกันเหมือนกันดับไปเดี๋ยวก็คิดทั้งไปใหม่ตัวรู้ก็คือธานรู้เนี่ยอตัวรู้ก็คือธาตรู้นะเจ้าค่ะงั้นที่ที่หนุ่อเดี๋ยวหนุ่มกลังอาจจะสับสนนิดนึงคือตัวรู้นี่เราเราจะไม่เมื่อตั้จิตแล้ว่างยิงย่งคิดแล้วยิงยงย่งไปไม่ต้องไปสนใจแร้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาเรามารู้ตัวกิเลส ด, ดีกว่าตอนนี้เร า, เราโลภเราโกรธเราหลงเมื่อไหร่ ให้เห็นกิเลสดีกว่านะเจ้าค่ะใช่ค่ะ ต, ตอนนี้กําลังหลงตัวรู้อยู่รู้ปะไปหลงว่ามันทํำไมเจาม้าค่ะกลาบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะขอทีอ่ขอหลงแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอยากจะรู้ว่าตัวรู้เป็นอะไรเจ้าค่ะอยากอยากก็เป็นกิเลสขึ้นมาอีกอ๋ออยากก็เป็นกิเลสขึ้นมาอีกอ่าก็ อ, อยากจะรู้อยากจะรู้เจ้าค่ะแล้วตัวรู้ไม่เป็นปัญหา คนที่เป็นมันทาคือตัวกีเลสพออยากก็หยุดมันปั๊บไปเลยถ้ามันเป็นตัวกิเลสวิความอยากมันมีสองอันอยากที่เป็นธรรมกับอยากที่เป็นกิเลสถ้าอยากที่เป็นธรรมก็ก็ปล่อยมันอยากได้เช่นอยากนั่สมาธิอยากปฏิบัติธรรมอยากอ่านหนังสือธรรมะอยากทําบุญอะไรอย่างเงี้ยนี่กเป็นความอยากที่ดีมันไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจอยาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากได้รามยุตสนเสริญใหญ่ แล้วเรื่องนี้เป็นความอยากที่เป็นกิเลสนะคะพระอาจารย์คะงั้นถ้าอย่างงี้หนูนั่งไปเรื่อยๆโดยที่หนูไม่ต้องไปถามทุกครั้งแล้วได้ไหมคะเพราะว่าหนูไม่ต้อถามแล้วก็ไม่เคยถามทังที่ตั้งแต่รับปัญหาล้วก็ไม่เคยถามตัวรู้เป็นใครอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปรู้กันไม่ไมัเป็นไม่แยกตัวปัญหาเจ้าค่ะตัวปัญหาคือความคิดที่เชื่ด้วยความหลง เจ้าค่ะพระอาจารย์ความโล ก, โกรธหนไม่มีคําถามแล้วค่ะพระอาจารย์กลับขอพระคุณเจ้าค่ะคาเจไปที่คุณปุ้ยตาปุ้ยยังอยู่ลักเซมเบิร์กเขาปุ้ยกลับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอสแสดงความยินดีด้วยค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ยังอยู่ลักเซมเบิร์กค่ะ อ, อาการแย่ฝนตก โยมตั้งจิตอธิษฐานว่าสัปดาห์ที่แล้วยมขอเข้ามาโยมลืม <c oughs> ลืมว่าเป็นวันพูดลืมเข้าประกาศพระอาจารย์โยมยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะยังถือศีลเจ็ดแล้วก็กินเจแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเหมือนเดิมแต่ข้าวพรรษานี้จะทําเพิ่มเติมค่ะเ อ, อจะนั่งสมาธิเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็จะเข่งหน่อยค่ะพอมาจะมา จะมาขอพรพระอาจารย์ให้พระอาจารย์เป็นกำลังใจเป็นแสงสว่างให้ด้วยเจ้าคะ่ะอ่าก็ขอให้สําเร็จตามความที่ปรารถนาคิดสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาในสิ่งนั้นๆคิดเงินเป็นเงินคิดทองเป็นทองคิดเลขเป็นเลขนะเจ้าค่ะขอแสดงความยินดีด้วยเจ้าคาาา่ะพระอาจารย์หนมเมื่อวานเห็นเมื่อเช้าเห็นข่าวดีใจมากเลย ดูจากคำที่เขาพูดแล้วบล่าว่าเล่าเก่าในขวดใหม่เข้าใ จ, อ, จอ่ะอาจารย์เปล่ยนขวดแต่เล่าเล่ า, ลาเดิ ม, มใช่เมื่อเช้าก็นั่งสมาธิกับพระอาจารย์ตอนที่พระอาจารย์มาหน้าหน้ากุติอาา่ะค่เข้าไปฟังแล้วก็นั่งสมาธิรู้สึ ก, กจิตนิ่งมากเลยค่ ะ, อะโอเคพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆนะใช่ค่ะพยายามปฏิบัติแล้วก็ไม่ คือเดี๋ยวนี้คําว่าแข่งขันคําว่างบนี่คือไม่มีแล้วไม่มีแล้วพอเนี่ยพอกินก็มากน้อยสันโดษดีบ่ะใช่ค่ะแล้วมันไม่อยากตัวที่จะไปชอบปงชอบปิงอะไรกินก็ไม่ไม่ปฏิปิสิปิจันเราเมื่อก่อนโหนเป็ดเราต้องเป็ดเจสั่งมาจากเมืองไทยเลยนะเดี๋ยวนี้โอสบายสบายเออเจล้อต้าหู้หรออะไรกับผัดลงไปเลยคือแบบมันเมือนกับว่า ชีวิตาคนจะเลี้ยงไดายมันจะสบายกว่าอยู่กับการจุ่งจีนจุกจิกจริงค่ะแล้วก็แล้วก็ยังอาหารเย็นอย่างเงี้ยเราทดลองตัวเรามาตั้งแต่เดือนกุมปพาเราทำได้เราบอกว่าโอ้โหสบายมากแอบสาเดือนเนี้ยพอพรรษาเนี้ยจะตั้งจิตตั้งใจเลยอ่ก็เลยบอกว่ามากาบอออธิษฐานกับพระอาจารย์ ว่าถ้าโยมทำปิดพูดปิดสิ่งใดไปก็ทุกคนก็บอกเข้ามาด้วยโยมจะตั้งจิตตั้งใจสร้างบุญสร้างบา ร, รมีแล้วเจ้าค่ะอย่าสาธุขอให้สำเร็จผลประโยชน์ตามที่้องขารนะขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพร่างกายทาดขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะสาธุบุญนิสา L A Los Angeles กลานามสการค่ะพระอาจารย์ ก็ไม mm. no mm ่ม hmm. ีคำถามค่ะพระอาจารย์ก็จะน้อมนำปฏิบัติค่ะจะปฏิบัติให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ไปที่เท็กซัสคุณสุภัชญามีอะไรพิเศษไหมัญษานี้ยังไม่ได้คิดเจ้าค่ะเก่านาัสกุลระพอดีเห็นญาติทมทั้งหลายตั้งกฎ ของตัวเองขึ้นมาลูกเริ่มที่ว่างั้นเดี๋ยวลูกจะตั้งให้ตื่นเช้าดีกว่าเพรเป็นคนตื่นเช้ายากมากเรื่องอื่นพอไหวเรื่องการนอนนี่เรื่องสําคัญเจ้าสงสัยคงคงต้องคงต้องตั้งข้อตัวเองขึ้นมาเพื่อเพื่อเพระพุทธเจ้าสอนพระให้นอนนอนสี่ทุ่ถึงตีสองก็พอต้องตื่นตีสองแล้วมาปฏิบัติทําต่อ มีเวลานั่นก็มาตอนเช้ามืนมืดเนี้ยเงียบสงบดีบรรยากาศ<อ>ดีต่อการบริหารธรรมขอเป็นตีห้าคึ่งดีก่าตีห้าครึ่งก่อนได้ไหมตีส <laughs> องคงคงคงไม่รอดเจา้าคะอันนี้แล้วแต่เราเ้า แ, แต่โยมจะต่อรองเนี <laughs> คงคงต่อรองตรงนี้ก่อกับตัวเองก่อนนะคะถ้าได้ตีห้าคึ่งได้คงแบบโอ้โหเก่งแล้วเรา เรื่องนอนนี่เรื่องเรื่องใหญ่เลยเจ้าคะ่ะเรื่องอื่นยังพออาหารยังพอได้แต่พอนอนนี่โอ้โหไม่ไหวจริงๆเลยคะ่ะเมื่อสัปที่แล้วก็คะ่ะไม่รู้หรอว<ด>่าถูกกิเลส<ด>หลก็ไปหอดเวลานอนเนี่กิเลสมันชอบใช่เจ้าคะ่ๆๆคะใช่เจ้าค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ปรึกเอ่อที่ขอความเมตตาพระอาจารย์เกี่ยวกับเออ เรื่องของสามีเจ้าคะ่ะว่าเราจะจะมองเขาอย่างไงไม่ให้เราทุกตา嘛เจ้าคะ่ะลูกก็เลยใช้วิธีมองเขาเหมือนกับที่พระอาจารย์สอนว่าให้มองเรามองเขาให้ฝึกฝึกมองคนอื่นด้วยไหมฝึกกับตัวเองลูกก็เริ่มมองเจ้าคะ่ะก็มองว่าเป็นอ น, นิจจังอะเจ้าคะ่ะความมองว่าเจ้าค่ะว่าอารมณ์ของเขาเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ต้องผ่านไปเหมือนที่เราเกิดมันก็ผ่านความคิดอะไรมันเกิดเดี๋ยวก็ผ่าน ของเขาก็ต้องเหมือนกันเจ้าคะ่ะลูกก็เลยไม่ไปแบกกับเขาอีกเจ้าคะ่ะต้องมองเป็นใช้อ่ใจรักเข้ามาเจ้าคะ่ะอันนี้จางแล้วก็อนันตาแล้วลูกก็ลูกก็พยายามว่าเออเขาอารมณ์แบบนี้เดี๋ยวก็ไปเหมือนกันที่เราเจอเจ้าค่ะความคิดเข้ามาแต่เขาก็ผ่านไปเหมือนกันที่เราเห็นความคิดแล้วมันก็ผ่านไปอะะ่ะเจ้าค่ะลูกก็เลยเข้าใจที่พระอาจารย์สอนว่าถ้าอะไรคือเราจะเริ่ม วางลงไปเมื่อเราเห็นว่าเราทุกข์อะเจ้าค่ะ <ừ> mm. เราไม่อยากทุกข์เราก็จะหยุดใช่เรา ก, ก็ริ่มตัดไปเรื่อยๆเจ้าค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะใถต้องต้องเห็นทุกข์้จะเห็นเหตุ ข, ของความทุกข์ก็คือความหยาดของเราเองแล้วถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยาดยอมรับความจรงิงความจริง<ล>คือเขาเป็นของเขาอย่างนี้เราจะประหยากให้เขาไม่เป็นแล้วก็เลยทุกข์ เจ้าค่ะพอเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทุกข์กับอะไรเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราเราวางดีกว่าอสบายใจกว่าการอยู่ความอยากก็คือการวางเลยเจ้าค่ะอย่างน้ลูกก็เลยมองว่าเอ๊ะเราเห็นกับตัวไหมที่เราแบบว่าเราไม่อยากทุกข์กับใครเราก็วเราถูกตั้งไปทุกบันดีที่ไหน่ะไปเอาทุกมาใส่ใส่ใจในบันดีที่ไหนเน่ยมันไม่ดีหรอก เจ้าค่ะทุกในใจเราก็เยอะพอสมควรแล้วยังไม่เอาทุกของคนอื่นมามาใส่ใจเราอีกเจ้าค่ะนี่คือการรักรักรักตัวเองที่ถูกต้องใช่ไหมเจ้าคะ่ะเพราะว่าลูกไม่ไม่อยากเห็นพอเห็นเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเดียเด๋ยวก็เดี๋ยวก็วางเองพอเห็นทุกมันก็วางเพราะเราไม่อยากทุกลูกก็เลยบอกเอองั้นเราจะไปทุกอยู่ทําไมกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็วางวางไปเลยดีกว่าเจ้าคะ่ะลูกก็เลยฝึก เป็นคิดแับที่พระอาจารย์สอนคือทุกอย่างให้เป็นใจรักทั้งของเราแล้วก็ของคนอื่นให้มองมากขึ้นกับของคนอื่นเจ้าค่ะอืดูก็เลยที่จริงฝึกไปก็เพื่อฝึกเพื่อให้เราละลใช่ไหมเจ้าคะ่ะฝึกนะเพื่อปล่อยวางปา่ยวางทุกอย่างทุกอย่างเป็นสภาวะธรรมเหมือนยินฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้สั่งได้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะพอไปอยากแล้วมันจะทุกข์เรสั่งเขาไม่ได้แล้วเวลาช่วยเขาไม่ได้ก็จะทุกข์เจ้าค่ะลูกเอาเอาเทคนิคเอลูกเอาข้อที่เราฝึกสมาธิทุกวันนะเจ้าค่ะคือการนั่งสมาธิก็เพื่อที่จะล ะ, ะ ค, คืะอหยู่ความอยากใช่ใช่ไหมเจ้าค่ะสมาจิตลราสงบความอยากก็ทํางนานไม่ได้เจ้าค่ะฝึกเพื่อที่จะฝึกให้เราเพื่อที่จะตัดทุกอย่างที่ ออกไปเรื่อยๆนั่งสมาธิเพื่อการตัดฝึกเพื่อตัดฝึเพื่อตาดทุกวันทุกวันใช่ไหมเจ้าคะหยุดเนยหยุดหยุดกิเลสหยุดตัณหาครรมอยากแต่มันหยุดได้ช่วงกลางนันเองสมาธิพอจากสมาธิมาตัวที่เราเคยหยุดมันก็โผล่กับขึ้นมาใหม่นะถ้าเราใช้ปัญญาใช้ใจลัก่งถึงจะหยุดมันได้อย่างถาวรอือเจ้าค่ะแล้วเราก็เข้าใจว่าการฝึก สมาธิเพื่อตดัดเพื่อให้เราได้มีความอดทนมีเหมือนเป็นฐานที่ดันให้เราแบบได้มีลูเบกข า, าใหเราวางเฉยไดใหเราวางเฉยได้ด<ม>ังสมาธิาจะได้เราจะได้มีเบิกขาเจ้า่ะเจ้า ข, า ข, าขาลูกเข้าใจพอจะเข้าใจแล้วเจ้าขาพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมฝึกสมาธิเพื่อไปต่อยอดอยังไงแล้วใช้ยังไงต่อไป เจ้าค่ะลูกเริ่มร really ู้สึกมีความพอเห็นเขาริ่รู้สึกมีความหนักแน่นมากขึ้นเจ้าค่ะพอเห็นอารมณ์เขามาลูกก็เริ่มวางได้ขึ้นเจ้าค่ะใช่ใช่ไปเจ้าค่ะว่าเป็นตายร่างไปเจ้าค่ะเราเป็นยังไงเขาก็เป็นยังไงเหมือนกันเพราะอาจารย์สอนเมื่อครั้งที่เราทําให้ลูกได้เห็นชัดมากขึ้นเจ้าค่ะตัวเขาตัวเราเหมือนกันหมดเจ้าค่ะลูกจะนําไปใช้ต่อเจ้าค่ะน้อมนํำคาสอนเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุ ทาแบคแคนซคุณยินเดีสวัส ด, ดีค่ะท่านอาจารย์ดังหน่อยพูดดังหน่อยได้ไหมสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ได้ค <Okay. S 2> ่ะเดวิดฝากลาบบอนซ้อมเต้ท่านอาจารย์ค่ะก่อนเด <Okay. S 2> ี๋ยวลู ก, ก็ไม่มีคำถามค่ะก็ฟังค่ะเพราะว่า คำถามเคยมันมีแล้วพอเวลาฟังธรรมท่านอาจารย์มันก็กระจ่างขึ้นมานี่ความถามมันก็จะทําให้เราเข้าใจอะไรดีขึ้นตามลำดับค่ะท่าอาจารย์และความสงสัยได้สงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้บอฟังก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะรู้พอดีสงสัยพาดีพอฟังก็ได้คําตอบเลยได้ค่ะอาจารย์แล้วก็ที่ท่านอาจารย์บอกว่าเวลาฟังที่บอกว่าประโยชน์ของการฟังธรรมอะค่ะ ท่านเลยการข้าจาชกาที่บอกว่าเออ่บางทีเราฟังแล้วเนี่ยพอฟังแล้วเราก็ลืมพอลืมแล้วพอเรากลับมาฟังใหม่มันเราเคยฟังแล้วแต่มันก็ทําให้เราอ่ะเข้าใจมากขึ้นน่ะค่ะใช่นี่สองขั้นการของการฟังธรรมจะได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินฟังมาก่อนถ้าธรรมที่เราเคยได้ยินแล้วออกฟังซ้ํานีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นตามลำดับ จะทำให้ความรังเลสงสัยในเรื่องต่างๆในธรรมต่างๆหมดไปได้ทำ ใ, <น S 1> ให้มีมสามารถที่ทเห็นมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบาปไม่จริงบุญไม่จริงกิเลสตัวสร้าสงสร้างปัญหาเป็นของจริงใช้ค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ำให้จิตใจสงบผ่องใสได้ค เรื่องโดยเฉพาะช่วงนี้คะ่ะอากาศร้อนใช่ไหมคะอาจารย์พออากาศร้อนตัวนีพอช่วงเช้ามันก็จะแบบจะเปิดเอ่อให้อากาศเย็น ม, มันเข้าช่วงกลางคืนคลแล้วพอช่วงนี้อเมริกาโดนโดนอากาศร้อนเยอะกันนะใช่ค่<น>ะอาจารย์มันรามันร้อนแบบเวลาเราเปิดเปิดประตูออกไปข้างนอกไงคะ่ะเปิดแล้วมันเหมือนเราเดิ น, นเข้าเตาออกเลยเตาอกเลยอุณหภูมิ่าขึ้นไปนักเสี่สีขึ้นไปเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์แล้วตอนนี้ก็เลยแบบปิด คือปิดหน้าต่างทุกบานแล้วก็ปิดพหม่านทุกบานแล้วก็เนี่ยจะอยู่อย่างเนี้ยค่ะจนกระทั่งแบบถึงประพาณ์แบบเย็นกลางคืนเย็นประมาณทุ่มหนึ่งค่ะเพราะตอนนี้ภาคพิษกาลังเตกไอเนี้ยค่ะแต่ลูกก็ไม่ได้เปิดแอร์นะคะแล้วเอวิสถามว่าทำไมไม่เปิดแอร์หนูก็เนี่ยก็อยู่อยู่ไปก็ลองดูแล้วเสร็จแล้วเมื่อวานก็เลยแบบเออมันก็มีประโยคขึ้นประโยคนึงผุดขึ้นมา คือเวลาเราปิดหมดเนี่ยค่ะมันเหมือนมันเหมือนเราเราอยู่ในมันมันเหมือนเราอยู่ในกรงใช่ไหมคะมันมันมันจะไม่มีอากาศมันจะไม่มีอะไรเลยลูกก็ลูกก็ดูแต่ลูกอยู่ได้คืออย่างเดวิดเนี่ยเวลาเขาอยู่เสาที่เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเหมือนเขาหุ่หิบแต่ลูกก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอะไร <c oughs> แต่ลูกก็อยู่ลูกได้แล้ ว, แ ล, วแล้วเสร็จแล้วเดวิดก็กลับมาบอกว่าอยู่ไม่อยู่อยู่อยู่ไม่ร้อนเหรออยู่ไม่นี่เหรอก็อยู่ได้แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่า ก็เลยผูด <ką> ข <g packet> ึ้นมาตรงที่คําพูดที่อาจารย์บอกว่าเวลาเราแบบติดเราสงบอะอยู่ข้างในอ่ะเราจะไม่เราจะไม่ไม่ไม่เปรว้าอะไรข้างนอกเป็นมักติดเข้าข้างเป็นมักติดออกข้างนอกเป็นสมุนไพรใช่ค่ะก็เลยแบบก็เลยผูดคํานี้ขึ้นมาก็เลยเออจริงจเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ชอบออกจากบ้านทุกวันเขาติดออกติดกันออกอยู่ข้างนอกพลเขาเข้ามาอยู่ในบ้านก็เลยรู้สึกไม่ดัน เมื่อสาวแต่เราก็อยู่บ้านตลอดมันเราไม่เคยออกไปไหนมันก็เลยไม่รู้สึกเวีนนเยนนันแบบค่ะง่ายๆในเวลาแบบเวลาเนี่ยค่ะคนที่มีพรอบครวนที่เวียนนามะตั้งแต่กลับมารู้ว่าหนูจะไปหนูจะไปแล้วก็แปกใจก็ไม่คือไม่อยากไปก็ยังว่าอยู่ก็ถ้าอาจารย์บอกว่าก็นี่แหละแบบบางทีเวลาเราอยู่ของเราดีๆแล้วไม่อยากจะไปยุ่งอะไรกับใครแบบให้มันวุ่นวายออ พยายาไปหาเขาเมื่อวานก็อย like like ู่แ yeah. ต mm ่บ้านก็เลยแบบเนี่ค่ะก็อยู่ได้ค่ะก็มีความสุขก็เลยมีความรู้สึกดีใจค่ะเมื่อวานที่เดบิดก็บอกว่าอยู่ได้ไงอะไรเงี้ยเพราะหนูเห็นนู้นเห็นปฏิกิริยาเขาเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขามีความรู้สึกเหมือนเหมือนเขาแบบเหมือนมันดิ้นดิ้นะค่ะจิตเขาเหมือนดิ้นเพราะว่ามันปิดหมดเลยใช่ไหยคะความปิดหมดเลยแล้วไม่ได้อากาศเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกเขาเขาขาดอากาศหนูก็เลยนี่ค่ะก็เลย เข้าใจตรงจุดนี้ก็แค่นี้ค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณท่อาจารย์มีอ่ะสูงค่ะท่านอาจารย์ฝากเซร์ฮัลล์ให้กับคุณเดวิดด้วยน ะ, อะขอบท่านอาจารย์มากขอบคุณหน่อยชยานิดก็ทตมเป็นยังไงบ้างมาใสาบ่บานใส่วันนี้หรือใส่เมื่ อ, อาวานนี้จำไม่ได้ใส่เมื่อวานเจ้าค่ะ คนเยอะมากเลยเจ้าค่ะเมื่อวานนี้900กว่า920เมื่อวานนี้เยอะที่สุดเลยไหมคะเจ้าพจท์เยอะที่สุดเมื่อวานนี้แค่ขึ้นเดียววันนี้470เจ้าค่ ะ, ะเป็ น, นเป็นอะไรที่แบบว่าต้องเรียกพระอาจารย์ะสุกตาละจ้ะวสุกตา <laughs> ใช่ <laughs> เพราะว่าใจผ่านเสร็จก็คนก็รอถ่ายรูปเต็มเลยนะเจ้าค่ะ ต้อมาคอถ่ายรูปเป็นที่รักรกกันใ<ช> ก, ก, ก็ยินดีก็ยินดีเมื่อก่อนเ้าก็ติดติดติดคนนั้นคนนี้ก็อยากจะเป็นถ่ายรูปเขาันได้ถ่ายแล้วมันก็มีความสุขเลยค่ะกันผีไ่ได้ด้วยค่ะกันผีได้ด้วยใช่ค่ะไม่วันนี้ไม่มีคําถาม ค, ะค่ะแค่คือที่จริงอยากจะรู้แค่ว่าเมื่อวานวันหกวันที่ผ่านมามีใส่บาท เยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเยอะสุดมันมีสุดประมาณนี้เการ้อยี่สิบันก่อนก่อนก็ประมาณสามร้อยบ้างสี่ร้อยบ้างเจ้าค่ะเห็นไม่มีช่องไฟเลยจ้ะค่ะคนแบบใสเยอะมากพวกนี้เยอะเก้าร้อยกว่าร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบมันธรรมดาคนจะ้อยมีน้อยกว่าร้อยไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่มีอย่างต่ำก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบรอยแปดสิคือสองร้อยก็คือ ต่สำสุดก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อแปดสิบใช่ไหมเ้าคะใช่ประมาณนั้นก็เดินก็เมื่อยมากเลยนะเจ้ค่ะอย่างนี้เราก็เดินเวลาเมื่อยเราก็ขึ้นรถพัดหรือถ้าเป็นวันที่มีคนมาเยอะก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้เดินหน่อยนัง่งนั่งรถกอลแทนเลยเนะี่เจ้าคะ่ะนั่งนั่งดีกว่าเจ้าค่ะทุกคนสบายใจกว่าเจ้าค่ะเดินนเดินนีว่ามัน <c oughs> มันเมื่อยหลัมันเจ็บหลังเท้าพระอาจารย์ก็ปวมด้วยนะจ้าค่ะก็นิดหน่อยมันก็เป็น เนธรรมชาติของมันถ้าไม่เดือดร้อนอะไรก็อยู่กับมันได้จ้าถึงยังไงสุดท้ายซ่อมไปยังไงก็ตามต้องเข้าเตาเผาอยู่ดีจ้าใ่ไหมใค่ะแต่แต่ไหนก็อยากหน่าตึงแม้แล้วทั่งเข้าเตาเผานะจ๊ะค่ะต้องทราบไว้ต้องทราบว่ารางการต้องเอาเข้าเตาเผามันจะได้ไม่ไปยึดปติดกับมันไม่ต้องไปกังวลกับมันมากเพกินไป ก็ท่านหน้าไม่ซิลิคนเผาเผาไม่ไม่ไม่ได้เหรอจ๊ะค่ะไม่นี่เอาไฟเผาไม่ใช่ซิลิคนเผาไม่ใช่จ้ะค่ะคือมันจะต้องพออายุเยอะขึ้นมันจะต้องดึงหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีซิลิคนนู่นนี่นั่นไงี้ยค่ะใช่บอกต้องดึงหน้าสมัยก่อนก็ไม่มีซิลิคนเพราะมอยู่เพรนได้ก็ก็อยู่ได้แล้วค่ะ แค่แก่เจ็บตายไม่กันอยู่ดีไม่กลัวตายจ้ะค่ะอย่างที่บอกกดหนังเหี่ยวกลัวกี่เละนะโอเคกี่เละตัวนี้แรงจังเลยพระอาจารย์ก็ต้องคอยสอนเรื่อยๆใช่ไหมจ้ะคะว่าสุดท้ายต้องตายต้องตายอย่างใช่ไหมจ้ะตายแล้วร่างกายไม่สวยงามใต้ผิวหนังไม่แต่ของที่ไม่น่าดูนะใครดูเข้าไปใต้ผิวหนังว่าร่างกายเรามีอะไรบ้าง อาการ32นั่นจค่ะไหนต้องใต้หนังก็มีเนื้อใต้เนื้อก็มีเอ็นมีกระดูกเนี่ยต้องท่องเงยอะๆแล้วจะค่ะเพราะว่า<ม>ยังไงแบบกลัวตัวเองหนังเหี่ยวมากเลยทุกวันนี้เป็นมันน้าเหี่ยวแน่ๆอย่างเดิมยังไม่ถึงเวลานะเจ้าค่ะต้องท่อ ง, า อ, ง<ม>อาการ32หนักๆจากที่ก็จํานเราคนเราสวยที่ใจมากกว่าสวยทีนะ่กายนะ สวยด้วยศีลธรรมสวยด้วยความเมตตากรุณาอยากคู่ไปด้วยกันตั้งคู่เลยไม่ได้หรอจะ๊ะคะไม่ได้เพราะความสวยทางร่างกายมันต้องเสื่อมไปนะครับสวยทางใจไม่มีวันเสื่อมก็จริงนะจ๊ะค่ะเห็นแบบเด็กๆอายุยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยผิวพรรณแต่งตึงดีชังเลยอันนี้ก็ต้องเป็นพนเราอยู่ดีใช่ไหมไม่ใช่ก็อก็ใช่เจ้าค่ะเขาก็สวยแค่ ในวัยอายุเขาดอม้เป็นดอกไม้ที่เราเห็นในเวลามันบานออกมาใหม่ๆนั่นดูสวยเจ้าค่ะมัน ต, ต่อไปมันก็เริ่มเช้าแล้วเริ่มเริ่มเที่วเจ้าค่ะต้องทําใจยอมรับสอนใจบ่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะใช่จะได้ไม่เหนื่อยไม้น้องไปคอยฉีดโบสถ์ถอยู่เรื่ย <laughs> อยๆเข้าพรรษานี้ที่จริงก็จะ ประเวนนาตัวตเองว่าใส่บาตรหยอดกระปุกอาหารทุกวันแล้วก็อไม่ไม่ทําเพิ่มได้ไหมเจ้าคะ่ะแค่แบบรักษาที่ทําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแล้วก็ถ้ารักษาก็ยังดีคือเนื้อไม่ถดถอยไม่ ถ, ถอยหลังแต่ไม่ก้าวหน้าเรอยากจะทําก้าวหน้าเ้าอยากจะก้าวหน้าลองทําเพิ่มขึ้นทําให้มากขึ้น จริงๆต้องขอบคุณซูมผ้าจารย์มากเลยก็ค่ะเข้ามาแล้วแบบมีแบบเหมือนมีพลังในการว่าเฮ้ยต้องทํานะเฮึดสู้อะไรอย่างเงี้ยนี่ผ่านมาสองเดือนหน่อยไม่ได้ทําพอมาเข้าส่งกัระอาจารย์ไม่กี่อาทิตย์กลับมาถือศิลเจ็ด <c oughs> ได้แล้วค่ะดีมันต้องเข้ากลุ่มไหมพอเข้ากลุ่มไลก็ทํากันแล้วก็เลยเกิดฉันท่าวิยักษ์ขึ้นมาอยากจะทําตามเขาว่าง จริงจริเจ้าค่ะเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่ตอนที่พระพุทธเจ้าอ่าแสดงธรรมก็นิพพานก็เกาะกลุ่มกันไปใช่ไหมเจ้าค่ะใช่มันช่วยกัน่ะช่วยให้มีกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติเห็นเพื่อนเขเห็นเพื่อนเขามันรู้ก่อนแล้วก็อยากจะมนรู้ตามเหนะ็นอยนยานกุณฑัญญาบรรลุสี่องค์เรต้องอยากจะมบรรลุตามเพราะจริงนะเจ้าค่ะพอเห็นแล้วแบบใครทําได้ เอ้เราก็เราก็ต้องทําได้เหมือนกันเราก็คนเหมือนกันใช่คนเหมือนกันเขาก็เป็นเป็นเหมือนกับเรามีอาการทางจิตใจเหมือนกันอืจ้าค่ะก็นี่แหละก็เป็นกําลังใจมากเลยนะเจ้าค่ะขอให้ป้าจันธาตุขันแข็งแรงอยู่นํานๆนะเจ้าค่ะเข้ามาบ่อยๆอย่างนี้เรียนไม่ทิ้งจ้าค่ะโอเคสาธุแต่ค่ะคุณหมาสุทัศนีเป็นยังไงบ้างอาการเจ็บไข้แน่ป่วยหายแล้วหรือ เป็นปกติดีเจ้าค่ะก็ลืมไปเลยเจ้าค่ะว่าว่าไม่สบายเจ้าค่ะไม่ทุกข์กับมันนะไม่รู้สึกเลยเจ้าค่ะถ้าแฟนหรือว่าใครไม่พูดถึงก็ไม่ได้นึกถึงมันเลยเจ้าค่ะก็ดีอยู่กับมันไปตามตามสภาพมันเป็นอนัตตาเราไปห้ามไปไล่มันไม่ได้มันจะอยู่ก็ต้องปล่อยมันอยู่ไปเจ้าค่ะ ท่านอาจารย์เจ้าค่ะพันศาณนี้ลูกตั้งใจจะบำเพ็ญบุญบารมีสิบประการให้เพิ่มขึ้นเจ้าค่ะโดยเฉพาะอุเบกขาบารมีเจ้าค่ะอ่าดีมากดีมากเจ้าค่ะทั้งเกณฑ์ไม่คุณลาไม่ได้เข้ามาแล้วคุณลาไปบวชทีแล้วหน่บอกให้ฝากใช่เจ้าค่ะที่หลานแจ้งมาครับไปบวช ป, ปฏิบัติประมา ณ, มาณเดือนส า, ามเดือนสามเดือนก่อนเชือดสารนุ่งขาวห่มขาว อนุโมทนาด้วยมากๆเลยเจ้าค่ ะ, ะคแต่จะกลับยันอาจารย์ว่าหลายปีมานี้ก็ปฏิบัติสมาธิทุกวันเจ้าค่ะและติดตามที่อาจารย์สั่งสอนโดยการปฏิบัติอาณาปานสติเจ้าค่ะแล้วก็มีบางครั้งที่สามารถเข้าสู่ความสงบได้โดยที่จิตเป็นเอกคตารมณ์เจ้าค่ะอืม ด, ดีมาก ความุมหัศาจรรย์แมาเจ้าค่ะอ่าน่หละตัวรู้อยู่าตรงนั้นอ่ะที่คักรตาลงเนี่ยสัแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ปฏิบัติไปถึงเองก็จะไม่เข้าใจเจ้าค่ะพ อ, อเรานั่งไปจนถึงตรงนั้นได้เราก็จะเข้าใจว่าอที่ท่านพระอาจารย์ท่านพูดไว้ท่านสั่งสอนไว้มันเป็นแบบนี้นี่เองเจ้าค่ะนะดีสันติบาลังสุขขัน ไม่มีสุขสบายเยียวยาดีขึ้นนี่เราต้องสันติโกทำมากเป็นสันติโกผู้ปฏิบัติย่อมเป็นผู้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองเจ้าค่ะแล้วม่ปฏิบัติก็ยังนั่งสงสัยอย่นั้นเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้พอปฏิบัติน่าหายสงสัยพอเห็นน่าหายสงสัยเจ้าค่ะแล้วก็มั่นใจเลยว่าจิตกับร่างกายมันอยู่คนละที่กันเลยเจ้าค่ะออ ดีไม่วุ่นวายไม่กังวลกับเรื่องร่างกายนะรู้แล้วร่างกายในวันที่สุดมันในวันในวันหนึ่งก็ต้องย่อยสลายไปหมดไปลูการ<อ>พูดรู้นี่ไม่มีวันไม่มีวันดแบบับนะกับเขาก็คุณท่านพอาจารย์เป็นอย่างสูง น, นะเจ้าคะ่ะปฏิ บ, บัติบูชาเจ้าค่ะอ่าสาธุเจ้าอ่าคุณเอกเชียงรายราษา น, นี้ในสัจจิกเหนือทุกวันพ่านะ อาจารย์ครับครัผมดีสันชิกครับอาจารย์ครับถึงสว่างเลยนะไม่นอนเลยครับผมถึงหกโมงครับอาจารย์ครับแล้วก็นอนถึงถึงเย็นเลยนี่ไงพอตื่นพอตื่นหกโมงเช้าก็นอนตื่นตอนเช้าก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับอาจารย์ใจก็วุ่นวิวงอยู่เหมือนกันแต่แต่ก็อยู่ได้ครับอาจารย์ครับก็พยายามอยู่ครับอาจารย์ครับ เออก็เพียนพยายามที่จะออยู่กับเวนาให้ให้มันจะถึงตอนเช้าครับพยานพญานครับแต่ก็ไม่ถึงครับเมื่อวานประมาณสี่ชั่วโมงครับพจารอนก็คงจะเพียนเอให้มีเกขาเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมครับพญานที่จะปล่อยวางได้ไดโอเคอมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะ ไม่มีอะไรครับอาจารย์ก็ับโอกับอาจารย์ครับท่านสอนนี้ไม่มีการปฏิบัติพิเศษนอกจากในสัจฉิก็ไม่มีอะไรพิเศษก็ก็ไม่มีไม่มีครับอาจารย์ก็ปกติก็ตอนเช้าก็ก็ตื่นมาตีสามสี่สิบห้าปฏิบัติแล้วถึงบงอยู่แล้วครับพระอาจารย์ครับก็มีเพิ่มในสัจฉิเข้าไปในวันพระตำหอาจารย์ครับช่วงกลางวันก็มีมีมีบ้างครับเอ่อถ้ามีเวลาก็นั่งสมาธิอยู่บ้างครับอาจารย์ครับ อันนี้ไม่ต้องทำงานแล้วใช่ไหมแลวยังต้องไปทำงานีกครับก็ก็มีอยู่เล็กน้อยครับพระอาจารย์งานก็ไม่เยอะครับพระอาจารย์ก็พอพอเลี้ยงชีพได้ครับอาจารย์ครับก็มีเวลาให้กับการปฏิบัติมากพอสมควรนะครับผมครับผมโอเคแล้วขอให้พระอาจารย์ท่านผันทิ้งแรงข้ามผมสาธุตวาครับผมสาธที่สวยสเลนคุณทวิษาเกิอทวิษา เอามาอยู่เนีในสวนนะ่ะนอกบ้า น, นตัดนักการค่ะพระอาจารย์ได้ยินยมไหมคะได้ยินเอ้ยินท่ในป่าค่ะเป็นสวนเน่ยใกล้ใกลบ้านพระอาจารย์พอดีช่วงนี้ติดเทอมมันจะเงียบไม่ค่อยมีคนกับอาจารย์เลยอากาศดีก็เลย<ม>เปลี่ยนโลเคชั่นค่ะพระอาจารย์ลองลองมานั่งรับมันมีสระน้ํามันมีสระเลก็กๆแล้วก็สวนเย็นก็ก็ดีค่ะพระอาจารย์นี่ที่สวัสดิ์ลาด ใชะค่ะพระอาจารย์ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะมีต่หิมะแบบเปนกันเลที่ว่ามีแต่มะซัมเมอร์ค่ะพระอาจารย์ก็จะมีเขียวๆค่ะถ้าถ้าหน้าหนาวก็แห้งๆมีแต่หิมะค่ะพระอาจารย์ยมก็เลยพอดีได้อากาศดีแล้วปิดเทอมมันไม่ค่อยมีฝนนะคะยมก็เลยมานั่งที่นี่แล้วก็กล่าวว่าเสร็จแล้วก็จะเดินจงกรมรอบๆบริเวณมันจะมีที่เดิมด้วยค่ะพระอาจารย์ เป็นบรรยากาศบ้างเนี้ยบางทีอยู่ที่เดิมทําเจมันก็อาจจะอาจจะเบื่อบ้างค่ ะ, ะ, ะคื อ, ค, อคือมันแต่ว่ามันมันจะมีโยมตอนที่โยมนั่งสมาธิก่อนก่อนหน้านั้นคือมันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราความรู้สึกความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นไหมคะพระอาจารย์คือพอพอต่างสถานที่อะค่ะพระอาจารย์เรามีกร า, ารระวัดระวังมากขึ้น ใช่ค่ะพระอาจารย์เราแบบมีขึ้นใช่ค่ะพระอาจารย์รรเราวัดระวังมากขึ้นเพราะว่ามันเออมันมันไม่ใช่ที่ที่ที่ที่เราเคยอยู่ที่เรามิดชิดนะคะพระอาจารย์เราอยู่ที่เคยชินแล้วมันก็รู้ว่ามันมันปลอดภยัยเราก็เลยไม่ระวังรว่ง <c oughs> เราอยู่ที่ใ <c oughs> หมเราต้องระมัดระวังนะค่ะแล้วทีนี้ขอพระอาจารย์แนะนํำนะคะถ้าเกิดว่า เราออกไปนอกสถานที่แบบนี้เวลาเราเรานั่งสมาธิอะไรเงี้ยตอนเดินเราก็ลืมตาอยู่แล้วเวลาเรานั่งหลับตาหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาเราสมควรที่จะเอ อ, ออกมาดูไหมหรือว่าหรือว่าเราก็จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ก็นั่งไปอย่างนั้นแหละนั่งหลับตาไปเข้าแบบตามที่เรานั่งไปหรือว่าเราถ้ า, าต้องการได้ผลเราก็ต้องไม่ลืมตาไม่สนใจทิ้งหมดทุกอย่าง ให้เราอยู่กับการภาวนาอย่างเดียวปากเป็นปากตายก็กับการภาวนาเพราะถ้าลืมตามันก็ไม่ถ้ามันเป็นภัยมันลืมตามันก็เป็นมันก็โดนอยู่ดีฮอะใช่ค่ะอาจารย์จริงจริงโดนแบบไม่มีสติถ้ามีสติภาวนาไปโดนก็ไม่เป็นไรใจเราสงบใจเราไม่เดือดร้อนไม่ดีกว่าอืม <Okay, S 1> ดีค่ะอาจารย์ถ้ า, าลืมตาขึ้นมาเราตื่นตั้งหรอกสติหายไปหมดนี่อ๋อ uh. โ okay, okay, อเคเพราะอาจารย์ค่ะโอเคยมยมได้ได้ได้แนวแล้วค่ะอาจารย์ถ้าเราต้องการผลในการภาวนาเราก็ต้องไม่ทิ้งการภาวนาทิ้งร่างกายไปจะเกิดอะไรขึ้นก็อยอมยังไงก็โดนอืยังไงก็โดนแค่มันจะโดนอย่าง้นบาที่จิตแล้วมันดอกเราอย่างนั้นนั่นมาหนีมาค่ะอาจารย์ยอมตายไปเลยให้มันมันหลอกเราให้มันรู้เารู้อดไปมันจะได้หายกา okay. ian, ลัวตาย อรายอมถ้เราคิดว่ากำลังจะตายจริงๆแล้วเราบอกเรายอมตายแล้วจะขออยู่กับพุโทโธไปมไม่ไม่ลืมตาไม่มาเอามารับรูถ้ามันจะตายให้มันรู้ให้มันตายไปมันอันนี้มันหายกลัวนะแล้ ว, ล ว, ล ว, ล ว, ลวดีไม่ดีกิ่ก็สงบรวมเป็นเป็นหนึ่งได้เนี่ค่ะพระอาจารย์ยมยมก็เลยว่าเออมันมันมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ยมก็ลืมตายขึ้นมาเอ๊ะมันเป็นอะไรแต่ครั้งหน้ายมจะ คือ <C ür> จะห า, หาสถ<ห>านที่แบบวันที่จิตมันหลอกเรามีอะไรเสียงดังหน่อยก็เที่เป็นอะไรละโยมมีอะไรน ะ, ะค่ะโยมก็เลยว่าเออช่วงนี้เป็นช่วงอ่ะหน้าหน้าร้อนใช่ไหมคะพระอาจารย์โยมก็เลยคิดว่าโยมน่าจะคือวันที่วันที่โยมหยุดแบบเนี้ใครที่ที่เป็นวันพระของโยมโยมก็เดี๋ยวครั้งหน้ายมจะไปสุสาน <c oughs> อค่ะ <c oughs> แต่ก็ตองระวังนะถ้าเราคิดว่ามันจะมีภัยจริงๆแล้วก็อย่าไปดีกว่านะ อ่ายังไม่พร้อมเอ่าค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ก็ก็จะดูดูดูบ้างค่ะพระอาจารย์คือไม่ไม่ไม่ได้แบบสมสี่สมห้าค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ถ้ามันเป็นภัยเพราะเกิดจากความหวาดกลัวของเราเองนี่ก็ไม่เป็นไรการที่จะไปกําจัดความกลัวค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ถ้ามันพราาถ้มันมีความจริงมีสิ่งสาระสารมีคนบ้าอยากคอยทําำงานเราอย่างนี้เราก็อยากไปอค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ ถ้าพูดถึงความปลอดภัยในด้านคน ก, ก็ถูกว่าที่นี่ก็ปลอดภัยระดับมากอยู่ค่ะพ่อาจาร่ะก็เลยไ ม, ไ, มไม่ได้ห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่แต่บางครั้งอย่างที่พ่อาจารย์บอกอันอาจจะมีสิ่งที่ทำให้เราคิดไปเองอะไรอย่างนี้ไปเองอออเราต้องการเรา ต, ต้องการไปดึงตัวที่ออกมาแล้วก็สู้กับมันให้ได้ค่ะพ่อจัน ยมก็จะปฏิบัติค่ะพรรษานิยมก็ก็ว่าจะเพิ่มวันพระคือไม่ใช่ก็คือจะเพิ่มวันพระเป็นสองวันค่ะพระจานทร์เพิ่มเป็นคือไม่ได้พิจว่าวันพระวันไหนแต่เป็นวันพระของยมอะค่ะพระอาจาร์จากวันุก็จะเพิ่มใช่ค่ะก็จะเพิ่มเป็นสองวันค่ะพระจานทร์แล้วก็จะพยายามเพียรให้มากขึ้นเมื่ออฝั่งเทพพระอาจารย์วันกลับไปรีฟังวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมที่ผ่านมาคือแบบว่าคือแบบ อย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะเกิดมามันทุกข์ไม่เกิดดีกว่าหลายๆอย่างเกิดมาแบบอมได้เกิดมาเป็นคนแล้วทั้งทีก็เอาทําให้มันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะพระอาจารย์ค่ะอเดียดวก็เลยการที่มาเกิดเป็นมนุษย์มันดีอย่างเดียวว่าคือมีโอกาสได้หลุดพ้นจากการจากความทุกข์ทั้งหลายค่ะพอาจารย์ก็ที่พระอาจารย์เทศมาแล้วก็ฟังก่อนหน้านี้มาซึ่ง ญาติธรรมหลาย่านก็พูดเออว่าสรุปแล้วเราจะไปทุกทําไมกับคนอื่นใช่ไหมครับอาจารย์ <laughs> เราก็ต้องเอาเอาแบบว่าเอาตัวเราความทุกข์แบบความทุกข์ของคนอื่นแบบภารากของคนอื่นมันมันไม่ใช่เอามาที่พระอาจารย์บอกมาทําให้ตัวเองเพิ่มความทุกข์ไปอีกในทุกในตัวเองก็มีอยู่แล้วละ <laughs> อะไรเงี้ยครับอาจารย์โยมก็เลยเข้าใจมากขึ้นครับอาจารย์โยมก็จะพยายาม สติแล้วกพยายามลดความทุกข์ผลเพิ่มความทุกข์ให้มันหมดไปไม่ใช่มาเพิ่มความทุกข์ไปแบบความทุกข์ของคนอื่นกันด้วยให้ค่ะพระอาจารย์ น, นี้โยมจอะพยายามพิจารณาให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะพรอาจารย์ค่ะถ่ากับขอบพระคุณ<อ>ค่ะพรอาจารย์อ่าชุดค่ะที่เป็นโอพีเคหนูได้ยินไหมหโอเลือก โอ้โอ่าเปิดใบพูดได้เลยลูกเก่านำมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าว่ายัไงมีอะไรชั้นได้ยินไหมเจ้าคะยินแต่ค่อยไปหน่อยถ้าพูดดังเท่านี้ก็ดีได้ยินไหมเจ้าคะได้ยินได้ยินนะเชิญ uh, อ, อา่าลูตเก่าขอเข้ามาพระอาจารย์แล้วก็ญาติที่ทำทุกท่านนะเจ้าค่ะ อาทิตย์ที่แล้วใช้เวลาถามนานแล้วก็พูดเร็วด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรละทุกคนก็ได้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ปัญหาต่ะงๆไปด้วยไปด้วยกันนะคะเข้าพรรษานี้ก็รูปตั้งใจจะปฏิบัติหลายอย่างเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์คืออยากปฏิบัติบูชาพระอาจารย์เจ้าค่ะที่แบบเมตตาให้โอกาสลูกได้พอเข้ามาห้องนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์มันเป็นเหมือนห้องพิเศษที่แบบว่าอยากปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเจ้าค่ะ แต่ว่าก็คืออ่าเพื่อไม่ให้การปฏิบัติเนี่ยช่วงข้าพรรษาใช่ไหมเจ้าคะมีอะไรที่ตะ ก, กิดตัวขวังใจเนี่ยลูกอยากขอโอกาสกราบขอเข้ามาท่านผอาจารย์เจ้าคะ่ะถ้าหากว่าลูกได้เคยประมาทพลาดทั้งหรือว่ารุกก่นเตือนผอาจารย์ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทางใจทางวาจาก็ตามเจ้าคะ่ะลูกขอเข้ามาเจ้าคะ่ะได้ ไม่มีโทษไม่มีโทษโทษําไปเพื่อให้ความสบายใจก็แล้วกันแต่เราไม่เคยถือโทษก่อนครื่อไทยอแล้วขอบพระคุงเจ้าค่ะอพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามอ่าวันนี้เจ้าค่ะก็คืออาทิตย์ที่แล้วถามเรื่องคำบริกรรมใช่ไหมเจ้าค่ะเรื่องไตรลักษณ์แล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเจ้าค่ะแล้วก็ทีเนี้ช่วงที่นั่งภาวนานเนี่ยมันเกี่ยวกาจะ ใจรักบ้างอันนี้จังทุกขังอนาตตาบ้างอย่างนี้เจ้าค่ะแต่ในช่วงที่เราเราลุกมาจากการนั่งนั่งภาวนาในระหว่างวันเนี่ยบางทีจิตมันจะไปแบบว่าพุดโธพุดโธอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์ก็ได้อยู่กันใช่ไหมคะได้อย่าให้คิดเนะลื่อยเกินนะ่้าเกิดต้องมาก็สะกดความคิดหยุดความคิดเพราะความคิดส่วนใหญ่มันเป็นความคิดที่เป็นกิเลสมันจะทำให้เราต้องไปทุกข์ไปวุ่นวาย แล้วก็อีกคําถามก็คือจริงๆวันนี้ลูกตั้งใจรักษาถีนแปดตั้งแต่เมื่อวานมาเจ้าขาพยาจารย์ก็ประเดิมไปจะรักษาให้ได้ห้าวันเจ้าค่ะแต่ว่าจะติดตรงที่ว่าคืออาจจะไม่ได้นั่งสมาธิได้ทั้งวันภาวนาทั้งวันอย่างี่เจ้าขาพระอาจารย์คือจะเน้นช่วงเช้าลูกมาบอกว่าตีสามจะมีแบบตีสามเหลืไปสองนาทีสามนาทถึงสะุูกมานั่งอะไรอย่างนี้เจ้าขาพยาจารย์ก็ก็พอนั่งได้อยู่นี่ยเจ้าค่ะก็คือ เช้าเมื่อวานนี้มันบรรยากาศนัาเงียบสงบดีแล้วแล้วอย่างอย่างสิบแปดเนี่ยก็คือว่าอย่างรูปเน้นการปฏิบัติช่วงเช้าแต่ว่าอย่างช่วงตอนกลางวันเนี่ยบางทีเราคุคลีกับคนใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์าพาาเพราะว่าลูกคือสิบแปดที่บ้านแล้วทีนี้อ่าในระหว่างวันเนี่ยเราอาศัยที่ว่าสิบแปดเนี่ยช่วยอมาช่วยสกัดกั้นพวกกิเลสอะไรอย่างนี้เจ้าคะ่ะก็คืออาจจะช่วงกลางวันอาจจะไม่ได้แบบ ภาวนาเต็มที่อะไ่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะได้ก็ถ้าไม่ไม่มีเวลาภาวนาก็ใช้ศีลช่วยส ก, กัดมนไว้ก่อนก็ไม่มีคำถามแล้วเจ้าค่ะเข้าพรรษาปีนี้ลูกจะตั้งใจปฏิบัติบูชาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งเรื่องศีลแล้วก็ภาวนาจะเน้นเรื่องศีลกับภาวนาเจ้าค่ะส่วนทานก็ก็ทําตามกําลังแต่ช่วงนี้ลูกก็มีแอบฝพี่แมว ใส่บาท่านพระอาจารย์อยู่เจ้าค่ะได้ดีจ้ะโอเคสาธุนะแต่นี้ต้องสั่งให้แกคอยชิมทุกวันเพราะว่ามีบางวันอาหารมันมันบูดพอไปถึงวันแล้วมันตอนนี้ต้องสั่งวันต้องชิคต้องชิมทุกวันนะเพราะบานทีก็ทําอาหารไม่แต่เช้ามืดเนี่ยนะพอมันถึงเวลามไปถึงวันที่มันสายแล้วมันก็หลายชั่วโมงแต่ก็ไม่บ่อยไม่มากแต่ว่ามีคนเขาทักมาก็เลยต้องสั่งบอกเขาให้ ทุกครั้งที่ตอนนี้เวลาเขาถอยแล้วลองถามแล้วชิมตัวอย่างชิมแล้วชิมแล้วตรวจคุณภาพหน่อยโอเคนะไม่มีแล้วค่ะขอบคุณเาพระพิจารณากรับาธิจ้ะค่ะไปที่กคุณมาลีต่อมาลียังไงภาษานี่ยาวอะไรดีการของพ่อพ้าพราษานี้ก็ปฏิบัติค่าหลวงพ่อ อมองหางที่ที่จะไปอืมไปที่ไหนดีอะที่เก่าที่เคยไปแล้วจะไปที่ไหนเนี่ยหลวงพ่อข่าอันอัตตะลักคณะสูตรอะไรเนี่ยค่ะหลวงพ่ออัตตลักคณะสูตรค่ะค่ะหลวงพ่อแล้วแล้ ว, ลวทีนี้หนูฟังแบบแปรเพื่งจะเข้าใจอ่ะค่ะว่าสอนเรื่องเรื่องขันห้าว่ามัน มันไม่เที่ยงมันแปลกวนแล้วก็มันเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ไม่ให้เราไปยึดว่ า, น, าวนั่นเป็นเป็นของเราเป็นเราเป็นเป็นอัตตาอย่างนี้ค่ ะ, ะและ้วแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยมันคือปัญญาทีนี้ทำยังไงเราถึงจะเห็นตรงเนี้ยจริงๆะะร่ะค่ะแล้วก็ให้เราเข้าใจแบบไม่ใช่แบบท่องจำอย่างนี้นะคะ่ะให้เราเข้าใจจริงๆเพราะมันเป็นเราก็ต้องดูที่มาที่ไปของร่างกาย ร่างการมาจากไหนนะใช่ไมมันมันมาจากธาตุของพ่อของแม่มารวมกันใช่ไหมถ้าไม่มีธาตุสี่ของพ่อของแม่มารวมกันมันก็ร่างกายมก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ใช่หมมันต้องมีการผสมพันกันนะค่ะเชื้อของพ่อของแม่ก็เป็นน้าน้าหยดในน้ามันก็มันก็มีทั้งดินมีทั้งน้ำมีทั้งลมมีทั้งไฟผสมกันอยู่ค่ะ แล้วมาผสมกับทาตุของแม่น่าก็มีธาตุสี่ี่น้องไปเอมามัมาผสมนั้นมันก็เลยก่อตัวขึ้นมาเป็นร่างกายแล้วก็สายธาตุของแม่ธาตุสี่ของแม่ค่อยให้ค่อยส่งอาหารให้มันจะการเติบโตขึ้นมาอเป็นธาตุทั้งนั้นธาตุน้ำธาตุดินอาหารที่แม่กินเข้าไปธาตุลมก็ลมหายใจธาตุน้ำก็ของเหลวทั้งหลายที่ดื่มเข้าไป ธาตุดินก็คือของของแข็งเช่นข้าวผักเนี่แล้วธาตุไฟก็คือความร้อนในร่า ง, งกายเกิดจากรับแสงอาทิตย์มาความร้อนจากแสงอาทิตย์ส่วนหนึ่งอีกส่วนนึ่งก็คือเกิจากการทํางานของร่างกายเองคือให้ให้เราคิดถึงความเป็นจริงบ่อยๆแบบนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อให้เราคิดค้าไป ว่ามันมาจากในน้ำลมไฟแล้วพอคลอดออกมามันก็ตามในน้ำลมไฟอยู่เนื่อย่ใช่ไหมหายใจเข้าก็เอารมเข้าท่าหอบเข้าแล้ ว, ลลลวตรงที่ตรงที่เป็นเป็นอนัตตานี่หมายถึงว่าเราเราสั่งไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ยค่ะหลวงพ่อให้ให้เราเราสั่งมันได้หรือเปล่าสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่ะค่ะสั่งไม่ได้ก็คือให้เราคิด ฝึกคิดแบบเนี้ยบ่อยๆจนมันยอมรับความเป็นจริงใช่ไหมคะหลวงพ่อจนจนใช่จนแล้วมันคิดว่ามันเป็นอย่างนี้ยมันเป็นไม่มีตัวตนมันไม่ใช่ตัวเราของเราเร า, รเราไปเราไปเคลมันเองก็ยังมันอยู่ดีดีแล้วก็ไปตูว่ว่ามันเป็นตัวเราของเราคร่ะคือที่หนูฟังบทสวดอันเนี้ยแล้วแล้วปัญจวคีมเหมือนคือเข้าใจแล้วก็จิต หลุดคนแล้วก็วางได้เข้าเข้าสู่กระแสธรรมตรงนั้นหนูนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้ววิธีที่เราจะไปถึงตรงนั้นก็คือที่หนูเรียนถามหลวงพ่อก็คือว่าเราต้องทําบ่อยๆฝึกให้มันเข้าใจแบบจริงๆให้มันพิจารณาเห็นว่ามันเป็นตามตามนั้นจริงๆใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้วก็ต้องไปทะะําข้อสอบเมื่อไม่เป็นตัวรางมันจะมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ต้องปล่อนให้มันตายไปค่ะ เราไม่ได้ตายไปกับมันเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นตัวรู้ค่ะแล้วแล้วอย่งางหนูถ้าไปเจอถ้าไปเจ อ, ไ ป, เจอไปทำข้อสอบได้มันก็มันก็รู้ว่าปล่อยมันก็รู้เองมันก็ปล่อยมันไว้ปล่อยค่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วสมมุติคือหนูหนูหนั่งปฏิบัติแบบตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสามครึ่งอะค่ะหลวงพอ่อแล้วพอหลังจาก ที่หนูนั่งเสร็จเนี่ยแล้วหนูมาใช้ปัญญาควรควรจะต่อจากตรงนี้หรือว่าหรือว่าออกคือมันออกจากสมาธิไปแล้วอะค่ะหรือว่าไปไปใช้ตอนที่เราทำกิจวัตรอะไรของเราปกปติอย่างเงี้ยค่ะก <ul> ็ทำพิจารณาโดยที่ไม่ทำอะไรน้ามันจะได้ได้เป็นกรอบเป็นคำกว่าถ้าเราไปทำกิจวัตรแล้วเราไปพิจา <ul> รณาแล้วมันก็มันก็ มันก็ใจายก็ต้องแบ่งไปสองส่วนไปที่กิจวัตรแล้วกลับมาที่พิจารณาถ้าจะพิจารณาจริงๆก็ต้องไม่ทําอะไรนั่งจงกรมแล้วนั่งสมาธิก็พิจารณาไปคือคือถ้าสมมติอย่างหนูนั่งตั้งแต่เที่ยงคืนถึงถึงตีสามครึ่ง 3, อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าสามารถพิจารณาต่อได้ก็คือทําต่อไปได้เลยใช่ไหมคะก็าสามารถพิจารณาได้ทั้งวันอ๋อ อาจจะยปล่อยให้ใจไปคิดว่านี่เป็นตัวเราของเราเราเปลี่ยนมาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟที่เราก็คุมบังคับไม่ได้ค่ะหลวง่อคะอีกคําถามนะคะแล้วหนูมีความคิดว่าเหมือนเหมือนเหมือนหนูถูกขังอยู่ในอะไรไม่รู้มันตะเกียบตะกายที่จะหาทางออกจากตรงเนี้ยค่ะมันมีความรู้สึกแบบเนี้ยค่ะหลวง่อก็เป็นความรู้สึกของกิเลส่ยกิเลสมันก็อยากจะ อ, ออก ออกไปทำนู่นทำนี่ไม่ใช่ค่ะความหมายของหนูคือว่าทำยังไงถึงจะเดินทางเข้าไปใกล้ๆถึงจุดหมายตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เลยมีความคิดว่าอยากจะปฏิบัติให้มันเยอะๆขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ปฏิบัติสติทำใจให้นิ่งแล้วก็ปฏิบัติปัญญาให้ปล่อยค่ะหนูพยายาม พยายามอยู่ค่ะวันนี้หนูไม่มีคําถามค่ะโอเคสาธุเจ้าสาธุค่ะขอบคุณค่ะคุณแดงสุภาดาอุดรธานีการธรรมศาสตร์ค่ะพระอาจารยไม่มีคําถามค่ะโอเคอาจารย์สายทิปของแก่นผมยาวขึ้นแล้วอาจารย์ผมยาวขึ้นแล้วค่ะพระอาจารย์ยังไม่ได้ไปตัดค่ะนนเป็น อันนี้จังนะมีสั้นมียาวค่ะก<ข>ํากลังคิดว่าเอ๊ะแบบผม้มันดูแห้งๆหรือว่าจะไว้ยาวแล้วให้มันมัดจะได้แบบตัดเองได้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะถ้าถ้าเราพอยาวแล้วก็รวบมันก็จะมันก็จะแบบไม่ไม่ดูมันก็จะง่ายกว่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์กําลังกําลังช่างใจอยู่ค่ะช่วงนี้ก็ปล่อยไปค่ะพระอาจารย์ ไม่เอาบัตรเรือนง่ายๆนีถ้ายเองเลยเลยถ่ายเองเลยล่ะอเดี๋ยวจะได้ไปกับคุณลาเลยนะคะพระอาจารย์ถ่ายเสร็จแล้วไปหาคุณลาก็เข้าพรรษาประวารณาตัวมากหน่อยค่ะพระอาจารย์นนทอพรรษานี้ว่าจะสู้ด้วยศิลปแปดเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันยูท b e มันเก่งนัก เราต้องเอาสินแปดมาจัดการมันซะหน่อยค่ะดีนะ่ไม่ดูยูทูบไม่ดูบันเทิงนะไม่ไม่ดูบันเทิงค่ะทีนี้ก็เลยจะมีคำถามพระอาจารย์ค่ะสินข้อเจ็ดกับข้อแปดถึงความละเอียดของมันค่ะอย่างข้อเจ็ดคือไม่ร้องรำทำเพลงอยู่แล้วแต่ว่า ไม่ดูเป็นดูการฟังการขับร้องอะไรพวกนี้ทีนี้ถ้าอย่างหนูดูยูท b e ของครูบาอาจารย์ฟังธรรมค่ะพระอาจารย์ย<ำ>ยแล้วมันก็จะมีถ้าเราเลือ่อนแล้วมันก็จะมีเหมือนแบบเหมือนมีอย่างเช่นหนูหนหนช่วง น, นี้หนูชอบชอบดูช้างดูอะไรพวกนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ดู ดูข่าวอาจจะมีเรื่องข่าวดารามันผ่านตาเราก็แล้วก็หยุดดูมันเพราะผานอย่าไปดูมันก็อย่าไปดูมันดูได้เฉพาะทำได้อย่างเดียต้องเลื่อนหนีเลยนะคะพระอาจยหยุดหยุดดูนี่ก็ถือว่าไม่ได้นะจ๊ะโอเค่ะอย่างสัตว์นี้ก็ไม่ควรดูเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์เพราะมันเป็นเวลาเราไปอ่นั่งเวลาไปอมันก็เป็นรูปเสียงกินรอดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามก็ค่ะ อีกข้อหนึ่งคือข้อแปดค่ะพระอาจารย์เรื่องห้ามนั่งนอนบนที่นอนนุ่มแต่นแรกหนูนึกว่ามันนอนอย่างเดียวนั่งได้อันนี้ก็คือไม่ได้ใช่ไหมคะก็นั่งแบบเก้าอี้ธรรมดาไม่ต้องใหมนนมง้มันนุ่มนั่งมันมนุ่มก็ีดแล้วก็จานอนจะหลับได้สบายจะขเหมือ น, ม, น, ม, นมันมีแล้วกะกะว่านั่งก็คือไปนั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ก็ไม่ควรไม่ควรเวลานั่งก็ไม่ควรจะนั่งบนเบาอะไรนั่งสมาธิก็ไม่นอนนั่งบนเบาอ้าวนั่งบนให้น้องนั่งบนเพื่อนแข็งแข็งมุดด้วยผ้าด้วยเสื่ออที่เป็นที่นอนบางๆที่ปกติที่นอนนี้ก็ก็พอได้ไหมคะอาจารย์ก็ได้ถ้ามันได้เพื่อสุขภาพเฮียโมเทมไม่เจ็บคนอ่อแต่ถ้าคุณไม่ได้ก็ไม่ต้องเอามนเลยเอาแค่เสื่อ เสือปูผ้าหรือเสือปูผ้าที่นอนก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเป็นปูผ้าแบบนี้ละ่ะค่ะพระอาจารย์เออนต้องนั่งเสื้อผ้าของพระพุทธเจ้าภาษาวกท่านภาวนาในป่า น, นอนในป่าถ้าไม่มีถ้าไม่ไดขนเบาคนที่นอนไปด้วยมันไม่เสือเส่อๆไปด้วยเราต้องพยายามฝึกแบบนั้นฝึกแบบเด<ต>ินเดิ น, นตายอนอนกัดดิงกินกัดทรายให้ได้ จะได้ไม่มีปัญหาท่านถ้าติดความสูงแล้วมันจะไปไปหาที่สงบที่กันดารลําบากอเพราะมันกลัวกลัวความกันดารกลัวความทุกข์ยากลาบากอถ้าเราฝึกอยู่กับความทุกข์ยากลำบากก่อนแล้วก็ดูยได้ทุงแห่งทุกคนไปไหนก็ไปได้อค่ะ เพราะว่าตอนนี้แบบที่นอนที่แบบที่นอนแบบที่เขาไปถวายพระแล้วเอามานอนตรงตัวเองเนี่ยค่ะพระอาจารย์เราก็รู้สึกว่ามันสบายสบายแล้วก็เออสบายดีเหมือนกันนั่นเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ดีแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์นั่นมันสบายก็ไม่ดีนะอุตส่าห์เอาเอแบบของพระแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นอะไรที่ปูให้มันบางๆลงค่ะพระอาจารย์อย่าเป็นว่า ถ้าปวดหลังก็ ก, ก็จะ่อคืนถ้นามันมีปัญหาทางสุขภาพก็ต้อ ง, <c oughs> ต, องต้องว่าไปค่ะเดี๋นนูลองลองดูอีกทีหนึ่งค่ะว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็อาจจะเป็นที่นอนแบบบางๆเหมือนเดิ ม, ม, มเพราะว่ากระดูกมีปัญหาค่ะที่เป็นหมอนรองกระดูกมันปิ้นออกมาค่ะพราอาจารย์สติละเราไม่ไม่ได้อะไรเงี้ยคะ <c oughs> ่ะช่วงนี้ก็นั่ง สมาธิบ่อยขึ้นค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่พบไอ้อารมณ์นั้นนะคะ่ะพระอาจารย์ที่ว่างสว่างสงบแล้วรู้สึกชอบแล้วนั่งสมาธิมันก็ก็สนุกขึ้นแบบมันแบบว่างๆจิตมันก็จะแบบเบาๆค่ะพระอาจารย์พอบอกปุ๊บเราก็จะจะนั่งสมาธิเลยเงี้ยค่ะพระอาจารย์อ่าติดเบาลงเยอะเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ค่ะ <c oughs> แล้วก็พี่นาเลือกความตายบ้างค่ะพระอาจารย์เลือกความตายตัวเอง อาจจะรู้สึกไม่มากก็เลยพี่นาให้คุณพ่อตายตายซะเล ย, <laughs> ยบ่อยๆอ แ, แล้วก็บอกถ้าคุณพ่อตายยงพิจารนามากเท่าไหร่ยังดีความตายค่ะพิจารณาว่าถ้าเผื่อคุณพ่อตายเราจะบอกคุณพ่อว่า ย, ยังไงอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็เอาคาสอนคำพูดนั้นนะ ม, ามาสอนตัวเองว่าเราก็ควรจะทำแบบนั้นก็คือปล่อยวางไม่ต้องห่วงอะไรอะไรเงี้ยค่ะ แต่ประสบมุดสมุดไปมันก็ก็เบาขึ้นค่ะพระอาจารย์ค่ะประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ยังปฏิบัติอยู่เรื่อยๆแล้วก็พิจารณาเรื่องของความตายอยู่เรื่อยๆเหมือนกันค่ะพระอาจารย์เวลาความกลัวตายพิจารณาความตายเพื่อให้เราไม่กลัวตายถ้าเรายอมรับความตายแล้วเราจะไม่กลัวตายเพราะเราไม่มีทางเลือกต้องตายด้วยกันทุกคนคแล้วไม่กลัวมัอนทำไมใช่ไหม กลวก็ตายไม่กลัวก็ตายอะไรจะดีกว่ากันค่ะ ก, ก็ก็ยอมรับว่าพร้อมพร้อมที่จะตายเมือ่อไหร่ก็ไม่มีอะไรห่วงเลยค่ะพระอาจารย์เฉยเใครจะอะไรก็คือไม่สมบัติอะไรก็คือเฉยเฉยอะไรเงี้ยค่ะ แย่างส่วนหลังบ้านพ่อคุณพ่อบอกว่าพี่สาบอกว่าเดี๋ยวจะมาทําสนามบาสนนะัก็บอกทําเลยไม่มีอะไรห่วงอยากทําตรงไห น, นทําเลยบอกไม่หนูแดงของขอ ง, ของหนูชื่ออ่ไของหนูแดงไม่มีอะไรให้ให้ห่วงใครอยากจะทําอะไรทําเลยอะไรเงี้ยค่ ะ, ะอาจารย์เราไม่ได้ไม่ได้ยึดติดจากคนไรหนีก็คนได้เลยอะไรเงี้ยค่ะอ่าดีถูกต้องเราแค่มีห้องให้เรานั่งก็พอแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะพะอาจารย์นีมากมั่งน้อยสันโดษ ค่ะอยู่ง่ายง่ายขึ้นค่ะบบวันนี้ค่ะวันนี้มีเพียงเยาาท่นานี้ค่ะอาจารย์สาธุค่ะยินดีกับการถือสินบาทนะสาธุค่ะต้องพยายามค่ะอาจารย์อ่าค่ะวันนี้คนที่จะมาที่ไหนมานอนเมือมวัสนการค่ะอาจารย์อ่า วันนี้หนูถือศีลแปดวันแรกค่ะพระอาจารย์ตั้งแรกเลยนใช่ค่ะหนูตั้งใจจะถือให้ครบพันศาเลยค่ะเ อ, อไหวไหมวันนี้ก็ลํำบากนิดนึงค่ะแต่ว่ายังอดทนค่ะลําบากที่ตรงไหนอาหารเยนเลยหิวค่ะหิวใช่ค่ะอ่าก็ตอนนี้ก็ปฏิบัติทุกวันค่ะพระอาจารย์อือจิตใจสงบขึ้นถ้าสงบแล้วมันจะไม่หิว ความหิวส่วนใหญ่มันอยู่ที่ใจของเราค่ะน่เราเราเอาความเห็นได้ด้วยการทําใจให้สงบค่ะความหิวของร่างกายมันมันเล็กน้อยมันไม่มันไม่ถล่มาออมาหรือความเห็นทางใจค่ะอ่ดีค่ะอาจารย์ถ้าอยากจะก้าวหน้าก็ต้องอย่างนี้ต้องทําต้องปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นไปได้ค่ะโอเคมีอะไรไหม ไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์คะอาบพอดีมีน้องเพ็บผ้ากับคุณแม่เขารออยู่ค่ะแต่ว่าไม่ไม่น่าใจว่าถึงคิวหรือยังพอดีดึกแล้วด้วยเดี๋ยวไม่ได้อยู่หน้านี่เดี๋ยวจะไปหาูห น, <ต>น้าต่อ ไ, ได้ค่ะพระอาจารย์เพ็บผ้าวันนั้นมาพ <ขอ S 1> าลูามาที่วันถึใช่ใช่ค่ะเมื่อวันศุกร์ค่ะไม่ไม่เห็นมีนะ่ไม่่เห็นครับออกแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไม่แน่น่าจะ ยไม่เปิดเอยนจะออกไปแล้วครับอาจารย์ค่ะไม่เป็นไรค่ะขอให้อาจารย์ทัดขันแข็งแรงค่ะอาจารย์ท่นค่ะกญยายาเจ้ญิญาจับนวัการเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนจ้ากุงเทพเจ้าค่ะที่ไหนเนี่ยกรุงเทพเจ้าค่ะได้ยินไหมเอ่ยได้ได้ยินได้ยิน ก็คือหนูมีคำถามจะมารบกวนถามอาจารย์ว่าคือตอนนี้หนูต้องกินโซกัตหรือลกอมเขียวหนึงเกือบทุกๆ5นาทีในขณะที่ทำงานหรือเรียนเพื่อให้สติมันอยู่กับ กาทำงานบ้างระดับหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ช่วยให้หนูโฟกัสได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ทําให้หนูมีสติอยู่กับตัวเองขึ้นมาบ้างนิดนึงและมันก็ทําให้หนูเลิกคิดถึงคนที่หนูเผือไปชอบได้บ้างในบางครั้งซึ่งวิธีการกินโซกรัรนี้เออทางบ้านหนูเห็นว่ามันเสี่ยงต่อโรคเบาหวานนะคะพระอาจารย์มีคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีที่ทําให้สติอยู่กับการทํางานให้โฟกัสอยู่กับการทํางานโดยไม่ต้องมาพึ่งลูกอมเชียวหนึบเหมือน ตอนนี้ไม่เอ่ยเจ้าคะ่ะก็ต้องฝึกวิรฝึกใจให้เราคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตั้งแต่เริมตื่นตื่นให้มาเริมตาขึ้นมาก็คอยเฝ้าดูร่างกายว่ากําลังอยู่ในท่าไหนกําลังทำอะไกรกําลังนอนกําลังนัง่งกาลังยืนกําลังเดินเนี่ยแล้วก็เฝ้าดูไปเลยเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยอาบน้ําก็ดูร่างกายอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกันดูร่างกายล้างหน้าแปรงฟันไป พยายามบางครั้งให้มันเพ้าดูกิจกรรมการเครื่องไหวต่างๆของร่างกายไปมันต่อไปมันก็ไม่ต้ออาศัยชุกชูกชุ ก, กัระไรเจ้าค่ะเออแล้วก็คำถามสุดท้ายเจ้าค่ะคืออาจารย์มีคำแนะนาเกี่ยวกับการฝุดสติ ที่อื่นไว้เออคะพอดีตอนนี้หนูก็ฝึกสติโดยการหายใจเข้าพูดหายใจออกโธในตอนที่เป็นช่วงเวลาที่หนูทํากิจวัตรประจาวันและก็ในตอนที่เป็นช่วงเวลาที่หนูไม่ต้องทำงานที่มันใช้สติโฟกัสกับงานมากๆเช่นทำรายงานหรือทำ เอ่อทําพิเส้นงานนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเป็นช่วงเวลาที่หนูว่างจริงๆตามที่พระอาจารย์แนะนําแล้วแต่ตอนนี้หนูต้องทํางานที่เกินเวลาเลิกงานไปปกติมากเพราะว่าหนูโดนเลื่องงานให้มาส่งเวลาให้มาส่งงานเร็วขึ้นหลายงานนะคะทําให้หนูมีเวลาฝึกสติน้อยลงมากแล้วก็หนูก็พบปัญหาต่างๆ รวมถึงปัญหาการที่หนูเผื่อไคิดถึงคนที่หนูเผื่อไปชอบซึ่งมันทำให้หนูเดือดร้านบ่อยกว่าตอนที่หนูมีเวลาว่างเป็นของตัวเองมากเลยค่ะแล้วยังไงนะนี่คือคำถามนีม่คือทำเน่าให้ฟังเออหนูจะมารบ ก, กวนถามผอาจารย์ว่าพระอาจารย์มีคำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกสติในเวลา ที่หนูต้องเจอเหตุการณ์ที่ว่าหนูต้องเ อ, อต้องทํางานไปนะเจ้าข่าวเพราะอาจารย์ราอาจารย์รบอกว่าให้มีสติอยู่การทํางานเลยถ้าเราลองทำอะไรอยู่ให้มีสติรู้อยู่สิ่งที่เรากาลังทําอยู่เข้าใจไหม คือเราก็พยายามฝึกสติโดยการพุโทโธในช่วงเวลาที่เราว่างหรือว่าบ่อยที่สุดเท่าที่เราจะบ่อยได้ใช่ไหมเอ่อยเจ้าคะถูกต้องถ้าเราถ้าถ้าเราไม่พุโทโธบทีจมัก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ล้วมีพุโทโธอยู่มันก็จะไม่ไปคิดเนี่ยแล้วพระอาจารย์มีคำแนะนำไม่เอ่ยคะถ้าหนูต้องเจอกับงานที่มันต้องใช้สมาธิโฟกัสกับงานเยอะๆแล้วหนูมีเวลามาออฝึกสติโดยการพุดโธน้อยลงนะเจ้าคะ่ะก็มันก็เป็นเรื่องที่ ช่วยไม่ได้ถ้าเรายังต้องทางานอยู่เราก็ต้องมีสติอยู่กับการทํางานไปก่อนถ้าเราไปพุโทโธแล้วทํางานมันอาจจะทำไม่ถูกไม่ได้ต้องรอเวลาที่เราไม่มีงานทําแล้วเราถึงใช้คใช้พุโทโธเป็นเครื่องจั่นสติแทนเข้าใจไ้มเข้าใจเจ้าค่ะโอเคเราไปทำดูก่อนนะแล้วค่อยมาไลา่สามารถเป็นยังไง ขอบขอบคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะอย่างนี่เป็นมริกานาราี่ว่าไม่โดนระเบิดเป็นงันนะปลอดภัยนะกลับนมันส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะพระอาจารย์ได้ยินได้ยินค่ะจากการปฏิบัตินะคะพระอาจารย์ก็คือพอปฏิบัติไปแล้วในในระยะนี้ก็คือเราต้องต่อสู้กิกเลสมากมายเลยค่ะพระอาจารย์พอขณะที่ว่าเราทําไป แล้วก็จะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาดึงเราให้ออกจากการตั้งใจเช่นก็ว่าตั้งใจที่จะถือสินแปดก็จะมีเหตุเหตุการณ์หนึ่งที่จะทำให้เราละการความตั้งใจนั้นมันเป็นเหตุจากตัวของเราเองหรือว่าเหตุจากคนอื่นเขาที่ทำให้เราต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นบ่อยครั้งเลยค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ ก็เราต้องวิเคราะห์ดูเลยว่าเห็นไหนเป็นเหตุคนอื่นทําให้เป็นเหตุหรือ ว, ว่าเราเองเป็นเหตุก็วิเคราะห์ได้ยากยากได้ถ้าคนอื่นเป็นเหตุเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นเหตุเราก็แก้ได้ค่ะป้าอาสาธุเข้าใจนะเข้าใจค่ะป้าอาจารย์สาธุค่ะคุณตายวัตถยา กลับบ้านมะกลับบ้านไปแล้วเลยกลับแล้วค่ะพระอาจารย์เพิ่งออกวันเนี้ยค่ะอยู่ได้กี่วันก็อยู่ที่วันวันที่ไปฟังธรรมแล้วก็เมื่อวานก็สองก็นับเป็นสองวันได้ไหมคะเพราะว่าหนวก็สิ้นแปดตั้งแต่สิ้นอดตั้งแต่วันวันที่ฟังธรรมเนาะค่ะสองวันสองคืนค่ะพระอาจารย์ก็ดีอะแต่วันแรกฟุ้งมากๆเลยค่ะอืคือ เราเคยแต่เรียนทฤษฎีไม่เคยปฏิบัติจริงสดทีพอลงลงสนามจริงๆเนะี่ยมันเหมือนคนขับจับของอายปุ๊บมันมันไปไม่ถูกทางเกียร์อันไหนอะไรอันไหนเรามันฟุ้งไปหมดแหละหนูก็ตะล่อมตะล่อมตัวเองให้เข้ามาในในในทางที่ว่าต้องอยู่กับตัวเองก็คือพุดโทถ้าพุดโทเอามาอยู่หนูก็พุดโททำโมสังโคแล้วก็ เรียกเรียกเวลามันออกไปก็ให้มันกลับมาอยู่ที่ที่ที่ตัวค่ะว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ดูร่างกายดูร่างกายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็มันวันเนี้ยมันกำลังเริ่มเข้าที่เข้าทางแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราหมดเวลาแล้วเราก็แต่รู้สึกว่าถ้าถ้ามีเวลาต่อมันน่าจะดีขึ้นกว่า น, นี้ค่ะพระอาจารย์ก็ดีถนะ้าไม่ทําต่อเลยเนะี่ย ก็เขาอยู่ได้สองวันนวดหนูทําไว้อยู่ได้สองวันก็เลยว่าเก็บห้องเก็บอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวทําได้สองวันแล้วก็หนูคิดว่าหนูอดสองวันและอดไปสองวันแล้ววันที่สามมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือปล่าหรือเปล่าอาจารย์หนูก็ไม่หนูก็ไม่ได้อลอะไรไปเลยค่ะไม่ได้อลอะไรไปกินเลยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอดแค่สามสี่วันห้าวันสิบวันจะมีอาหารสํารองอยู่ในร่างกายเยอะแยะหน่อย แต่แต่รู้สึกดีค่ะพ่ออาจารย์แล้วก็หนูไม่เคยนั่งแต่สมาธินะคะแต่ไม่เคยเดินจงกรมแต่พอเราปิดโทรศัพท์ปิดการสื่อสารทุกอย่างเลยเรารู้สึกว่าเราอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็อมันมันเหมือนกับผีก็ไม่กลัวพ่ออาจารย์หนูนอนหนูนอนเร็วนะคะแต่ว่าตื่นมาตีสี่หนูก็ตื่นมาปุ๊บพ่ออาจารย์บอกว่าถ้าตื่นมาให้พูดโชว์อะไรหนูก็ พูดโทเลยพูดโทก็ไปนั่งอยู่หน้ากุฏอ่ะค่ะนั่งหน้ากุฏถึงนา่งแบบยุงไอ้มุ้งก็มาแล้วไปนะพระอาจารย์ก็นั่งนั่งนั่งนั่งไปแล้วก็ถ้าเมื่อยก็เดินจงกลมจนถึงจนถึงหกโมงเช้าก็เข้าห้องแล้วก็ทานู่นทานี่ก็ปฏิบัติเหมือนเดว่านั่งนั่งไปนั่งไปเรื่อยๆแต่ก็ไปแอบหลับมันกันนะพระอาจารย์ได้ใช่ไหมคะกลางวัน ไม่ได้ถ้าร่างกายมั น, มนไม่หไหวมันต้องหลับก็ต้องแพ้แพ้ตัวนี้สาะแล้วก็มักถต็ก็นอนเร็วพอนอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้าตีสามหนูก็ตีสามปุ๊บมันตื่นเองนะพ่อจานตีสามปุ๊บหนูก็อตื่ น, ต, นตื่นแล้วแล้วก็ทํำเลยดีกว่าหนูก็นั่งทําอยู่หน้ากดอยู่เหมือนเดิมเสร็จแล้วก็พอนั่งไปก็มันก็มันก็เจ็บ แต่ก็ไม่ไม่ฝ้นเวทนาทุกสักครั้งหนึ่งพระอาจารย์แต่ก็เดินเดินเยอะมากเดินเดินเนอยู่นั้นเป็นชั่วโมงอ่ะพอาจารย์พ อ, อเมื่อยก็มานั่งทําอย่างงั้นจนถึงหกโมงครึง่งก็ถือว่าทําได้ได้นานสุด ข, ของหนูแล้วค่ะพอาจารย์รยก็เลยก็ทําเท่าที่ทําได้ไปก่อนค่ะค่ะคระอาจารย์แต่ผมคิดว่าหนูตัร่อมตัวเองคือแบบไม่ให้จิตมาไปฟุ้งกับ กับ ง, งานไม่ไปฟุ้งกับคนรอบข้างว่าวันนี้ที่บ้านจะเป็นอะไรใครจะทํากับข้าวหรือว่าจะอะไร ห, หนูไม่คิดอะไรเลยพระอาจารย์มันไม่คิดไม่มีในตัวเลยมันมีแต่แบบว่าพุโทโธธรมโมสังโฆถ้าพุโทโธเอามาอยู่หนูก็ใส่รลวงพุโทโธธรมโมสังโฆให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมใช้สองสองคำนะคะพระอาจารย์ก็จะพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนถ้าจะเหมือนที่เคย พยายามไปอยู่บ่อยๆเดือนละครั้งสองครั้งได้ก็ดีจองที่ตาบุญใช่ค่ะหนูว่าจะไปจองอยู่แล้วก็จะยองให้ยาวขึ้นจากที่เคยคิดไว้ว่าจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหนูจะเลื่อนเวลาว่าถ้าอาทิตย์ละครั้งแล้วเราปฏิบัติน้อยหนูจะเอามารวบเดียวได้ไหมพ่อจันรวบเดียสักห้าวันอะไรนี่ยได้ไดเราจะผิดประจ่าไหมคะพ่จันท์ไม่ผิดหรอกเราผิดเงไม่ผิดเนาะเพราะว่าเพราะว่าสองวันมันรู้สึกน้อยค่ะ ค่ะอาจารย์ก็มีถ้าเพิ่มขึ้นไม่ผิดแหละถ้าลดลงมาผิดเนี่ยค่ะค่ะน่าจะดีขึ้นแล้วก็จะเตรียมเตรียมอุปกรณ์ไปให้เยอะกว่านี้เพราะว่าโหยุงเยอะมากเลยพ่าจารย์หนูโดนกัดสะลายค้อยเลยเลยว่าเดี๋ยวค่ะน่าจะเอามุ้งไปเพราะว่านั่งข้างนอกมันดีกว่านั่งในห้องอนะคะอ่าบรรยากาศมันมันเสียวกว่านะว่าเสียวกว่าจะ ก็กลัลิงมากกว่ากวาง ม, มันไม่ขึ้นมาแล้วกันเลยกลลิงค่ะเออแล้ว ม, มีมีจังหวะหนึ่งนะคะพรอาจารย์วันแรกที่เข้าไปอ่ะหนูก็ไปแอบมองตรงผ้าม่านไปแอบมองกลุ่มอื่นนะคะพระอาจารย์แต่ก็มันมีมันมีสัญญาตทยาณบอกว่าจะไปดูคนุอื่นก็ทำไมจะไปดูดอกดูผลคนคอื่นก็ทำไมตัวเองมาแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมปฏิบัติหนูมันเข้ามาปุ๊บเลยหนูก็เลย อิ่งไม่ดูก็ได้หนูก็บอกไม่ดูก็ได้แล้วหนูก็เริ่มปฏิบัติการลตัวเองเอาไว้ไม่จิตสํานึกที่ดีไม่จิตสํานึกที่ดียังคิดว่าเออเหล่านี้ก็คืออยากจะรู้ไปคยกับชาวบานกันทำไมใช่ไหมใช่ค่ะก็ว่ารู้เรื่องตัวเองดีกว่ารู้เรื่องตัวเองดีกว่านั่นแหละค่ะหนูก็เลยเริ่มปฏิบัติแต่วันแรกนี่ยอมรับเลยว่าผมมันไปทุกทิศทุกทางเอาไม่อยู่ แต่ก็พอเราตัดโลกภายนอกออกได้จริงๆมันก็รู้สึกว่าเบาแล้วก็บอืมานะขึ้นอ่ะใช่ค่ะอาจารย์ดีค่ะดมันดีมากในเรื่องทำน้นต่อไปมันก็จะจะผูกพันมันก็จะทําได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะแข็งได้ได้อาจารย์เป็นกำลังใจสำหับคุณมากค่ะอาจารย์ขอขอบคุณแม่น้องเห็นมันกลายเข้ามาใส่บาบาไหนเนะ คะพระอาจารย์ได้ยินหนูไม่เจ้าคะมันก่อนวันไหนนะที่มาสายบ้างก่อนวันพระเจ้าก่อนวันที่วันที่สามสิเอ็ใช่ไมเจ้าะวันสิ้นเดือนนะไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์พอดีหนูพูดถึงเรื่องการปฏิบัติใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ว่าวันที่ยี่สิบแปดหนูจะปฏิทั้งวันแล้วประเด็นคือ กำลังเตรียมตัวไปปฏิบัติที่ห้องพระที่บ้านเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วหนูก็ลองอ่าไม่ลองใช้พัดลมอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่ประเด็นคือกําลังจะนั่งแมลงแมลงวันเต็มเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยต้องลงมาข้างล่างเพราะว่ามันมาตอมจมูกแล้วก็เข้าหูอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. หนูก็เลยมันลองปฏิบัติข้างล่างโดยเปิดพัดลมไล่สุดท้ายเครื่องในสมอง บั่นบั่นบั่นบั่นหนูกเลยว่าเอาสรุปว่าหนูนอนเลยก็ได้ค่ะนอนปฏิบัติแทนค่ะพระอาจารย์ก็เลยหลับก็คือผู้โทผู้โท้ลมหายใจแต่กลายเป็นว่าหลับไปเลยพระอาจารย์ก็เลยตื่นขึ้นมาอีกทีก็คือมาฟังธรรมพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คือมันนอนตรงพื้นอย่างเงี้ยค่ะตอนที่หนูกปฏิบัติก็ได้ประมาณนี้ค่ะตอนแรกคิดว่าอยากจะนั่งให้นานๆแต่ความเป็นจริงไม่ได้อย่างที่คิดไว้เจ้าค่ะ ก็ลองพยายามพยายามทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อค่ะโอเคไม่เลยมีอะไรไหมไม่มีแร้วจ้าค่ะโอเคเดี๋ยวต้องไปเร็วหน่อยละเพราะยังมีคนรออยู่เยอะไปที่คุณหมอหน้าทวชเชียนหมอกลับน้องสกัทพระจานทร์ครับไม่ยากสบายดีครับเดี๋ยววัน วันศุกร์นี้น่าจะได้เข้าไปที่วัดครับเด <Okay, okay. S 1> ืองวันอาทิตย์ครับ <Okay. S 1> ก็ได้มีโอกาสปฏิบัติครับ mm. <laughs> ได้ไปชาร์จแบตเตอรี่หน่ยใช่ครับใช่ครับ mm. อไ ง, งั้นทํางานอย่างเดียวครับ <laughs> มีแต่ใช้อย่างเดียวไปไม่ก็จะหมด <laughs> ใช่ครับไป mm. พอหลังปฏิบัติก็เริ่มถอยไปเยอะครับต้องไปชาร์ครับเพราะตอนแรกจริงๆก็เสาอาทิตย์ที่แล้วก็ตั้งใจว่าจะบรรจุยาเพื่อจะไปแต่ว่าพอดีก็ติดติดภารกิจงานที่ทํางานครับก็เลยก็เลยไม่ได้ไปครับก็น่าจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่หน่อยครับได้มีอะไรไหมไม่ไม่มีครับไม่มีคําถามครับอครับเีินไปที่มาริแลาดคุณสซนินทอน กับมันท่านพระจามก็ค่ะก็วันนี้เห็นกรรยาทนมีทุกทุกท่านอภวารณาตัวโยมก็คิดว่าพระจา์ต้องมีความสุขแน่ๆค่ะลูกศิษย์ตั้ปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาใช่เจค่ะโยมก็ตั้งใจว่าโยมจะเจริญสติให้ได้มากขึ้นกว่านี้ะค่ะตอนนี้ก็โยมก็ปฏิบัติเอโดยการเจริญพุทโธระหว่างวันตลอดวันให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ ส่วนสมาธิก็ไม่เคยขาดไม่เคยขาดนะคะ<ม>ปฏิบัติเช้าเย็นบางวันก็มีปฏิบัติตอนกลางวันช่วงไหนที่ไม่มีเรื่องรบกวนจิตใจก็สามารถนั่งได้ดีอ่ะคะ่ะแล้วก็ยมขอสอบถามนิดนึงค่ะท่านพระอาจารย์ที่บอกว่าความฝันของเราเนี่ยมันจะเป็นเอ่อเหมือนการสะท้อนของสภาวะจิตใจของเราอย่างอะค่ะท่านพระอาจารย์ เ, อ, อ, เ อ, อ, อย่างยม โยมฝันว่ามีคนมาทําร้ายเพื่อนของโยมนะคะแล้วก็ต่างคนต่างมีมีดพร้อมที่จะแทงกันอย่างนี้ย น, นะคะแล้วตัวโยมก็วิ่งเข้าไปช่วยโดยที่ตัวเองไม่ได้มีอาวุธอะไรเลยวิ่งเข้าไปช่วยเสร็จก็ปรากฏว่าไม่แล้วก็นอกจากช่วยได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้มีจิตใจที่จะไปทําร้ายคนที่จะเข้ามาทําร้ายเพื่อนเราเราก็ยังให้ข้าวของของคนที่ จะวิ่งเข้ามาทำลายเพื่อนเราในลักษณะอย่างนี้มันได้สะท้อนว่าจิตใจของเราเมีมมพัฒนากดาีได้มีความดีมีความเมตตามีความบรณนาค่ะค่ะท่านพระอาจารย์พระโยมก็พิจารณาอาการ32ทุกวันนะคะพิจารณาความตายเป็นอารมณ์แล้วก็พยายามจะเกขาให้ได้มากที่สุดวันไหนปฏิบัติดีก็จะมีผล มีสภาวธรรมที่ดีอะค่ะขออนุาค่ะขออนุญาตอีกคำถามหนึ่งค่ะท่านพระอาจารย์พอดีว่าช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ของโยมมาเยี่ยมโยมที่นี่อยู่อะค่ะแล้วโดยปกติเนี่ยแม่โยมจะเป็นคนใส่บาตรเป็นประจำทุกเช้าที่<ม>วัด ท, ที่ตลาดนะคะ<ม>แต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ย เ, เห็นว่าเวลาเขาฝันนะคะเขาจะฝันเหมือนกรีดร้องโวยวายเหมือนมีความกลัวอะไรมากๆ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาความเป็จริงเนี่ยท่านไม่ได้มีอะไรในระหว่างวันที่มากระทบกระเทือนจิตใจที่ทําให้หวาดกลัวในลักษณะนั้นอันนี้เอสภาวะนี้เป็นสภาวะที่ยมควรจะกั ง, งวลไหมคะท่านอานจารย์ไม่ต้องกังวลอย่าว่ามันมันสิ่งทเกิดขึ้นแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้ก็ให้รู้อย่าไปทุกข์กับมันจะดีกว่ายอมรับกับความเจริงไปถ้าถ้าคิดว่ามันไม่ดีก็แสดงว่ามันอาจจะเป็น เป็นผลสะท้อของของการกระทําที่ไม่ดีของเราแล้ก็พยายามทำความดีให้มากขึ้นไปลดการกราทความไม่ดีให้มันน้อยลงไปค่ะค่ะเจ้าค่ะแ ต, แต่สิ่งที่ปรากฏนี่ก็ถือว่ามันเป็นเป็นเหมือนกับเป็นผลของบุญหรือบาป ท, ที่เราได้ทําไว้ก็แล้วกันค่ะท่านพระอาจารย์ค่ะแบบขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะวันนี้โยมมีคําถามเท่านี้เจ้าค่ะโอเคไปที่เพื่อนบ้างคุณจิ๊บอยู่ติดกันเลยจิ๊บ ไม่งวันนี้ไม่ทํานเลยค่ะจาจาเจ้าค่ะแต่ว่าทําที่บ้านเจ้าค่ะอ่าค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะพอดีโยมลันเอ่อรอนดี้กับซักผ้าอยู่เด็กมันดังเสียงชัดเจนดีค่ะค่ะพระอาจารย์สบายดีนะเจ้าค่ะดีจ้าก็เข้าพรรษาวันนี้วันแรกโยมก็จะปฏิบัติบูชาถวายกับพระอาจารย์ให้มากขึ้นนะเจ้าค่ะก็ อยากจะทํำศีลแปดแต่คิดว่าคงไม่ได้แนะ่เลยถ้าเราลองสักวันอยู่ไหนอย่าไปมาบา้บ า, บาตัวเราเองไม่ลองมันจะไม่รู้ได้ก็ใช่ใครย่อมก็เลยว่าเออวันไหนเราทําทีละวันเป็นบางวันได้กว่าที่เราไม่ทําเลยทีนี้เวลาเรานอนเรานอนแบบว่าบนไม่ที่นอนสูงไม่ได้อย่างนี้ใช่ใช่ไหมคะพระาอาจารย์สูงแต่ไม่สําคัญอยู่ที่เราสบายหรือไม่สบายถ้าสบายก็มไม่ได้ อ๋อคือถ้าเรานอนแล้วหลับสบายแปลว่าไม่ใช่ไม่หลับสบายถ้าันที่นอนไม่สบายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอนอนันที่นอนมันสบายให้นุ่มหนาหนาสเปรย์เนี้ยให้เราติดสุกใช่ไหมคะไม่้เราไม่ต้องการเราติดสุกจากการนอนนำนอนเพื่อ<ค>การพักผ่อนร่างกายค่ะแล้วเราก็คือก็คือจะได้จะได้นอนไม่สบายจะได้ตื่นมาปฏิบัติเร็วๆด้วยใช่ถ้า ไ, ไม่นอนมากเกินไป จะไไม่เสียเวลามีค่าของเราไปค่ะอาจารย์ค่ะเราช่วงนี้คือญ่าแถวบ้านโยมมันแบบน่าเดินจงกรมมากเลยมันก็จะถามว่าถ้าเวลาเราเดินจงกรมเราจําเป็นต้องถอดรองเท้าไหมคะปกติโยมก็ถอดได้ไม่ถอดก็ได้น่าแต่ถ้าเดินหมายถึงโยมเดินในบ้านโยมก็ถอดแต่ถ้านอกบ้านเราถอดถาาก็ได้ไม่ถอดได้อค่ะก็แค่บาั้งกลัวว่าเอ้ยเราจะไปแอบเหยียบแบบว่าอะไรนะัะเขาเรียกอะไรคะเดียร์ชิกอะค่ะที่มันกินกวางอะคะ่ะ S <S อในตัวใช่ค่ะแล้วมันทําให้ถ้ามันกัดเรามันทําให้เกิดโรคโยมก็แบบแต่พระอาจารย์เพิ่งบอกนาอ่น้องคนสกีไปว่าเราหลับตาเราไม่ต้องกลัวอะไรถ้าเราจะปฏิบัติก็หลับตาไปโยมก็เลยเออเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรถ้าเราจะตั้งใจทําปฏิบัติใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ถ้าเราอยากจะทําใจให้เราปล่อยวางเราก็ต้องไม่ต้องกลัวอะไรอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปทางก็คิดซะว่าทําทดีแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นก็ย่อมดีเสมออย่างนี้ ก็คิ ด, ดคิดแบบนี้น ผ, ลผลดีก็ตามมาทําไม่ดีผลไม่ดีก็ตามมาโจ้ค่ะพระอาจารยก็ขอให้พรรษานี้พระอาจารย์ได้พบเอ่แต่ลูกศรริษย์ดีๆได้มีแต่ความสบายใจสุขภาพแข็งแรงนะโจคะ้คะให้มีลูกศรริษย์ที่งองแงแบบโยมเชียวไม่แบบก็มีบ้างนะดียร์มีรถชี่มีมีชาติหน่อยไม้องมีการเปรียบเทียบคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีเป็นยังไง โยมโยมก็ยังอยู่ในช่วงของหลังห้องอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะพยายามค่อยๆข ย, ยับมาทีเลยทีละครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วพยายามทําไปแล้วก่อนนะอย่าหยุดอย่าท้ออย่าถอยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วก็ขออนุาตอนุโมทนาบุญกับแม่ชีหลาด้วยนะเจ้าค่ะอ้ า, า, าดูจ้าใจที่ได้เจอพระอาจารย์ได้คุยกับพระอาจารย์วันนี้เจ้าค่ะขอพระอาจารย์แข็งแรงค่ะจ้าดเจ้า ก่อนหน้ามัสการที่คุณเกียรติศักดิ์หายไปหลายวันไงเกียรติศักดิ์สถานการณ์ตามจังคซูมก็ไม่เข้าวัดก็ไม่มาซูมก็ไม่เข้าไปอยู่ที่ไหนมาไปไปปิดวิเวกที่บนเขาอยู่ครับพระอาจารย์อบนเขาที่อยูนี่หละใช่ครับเมื่อที่ที่ผ่านมาเนี่ยครับครับกอสงบดีครับพระอาจารย์ครับแล้วก็ได้มีโอกาส พอนอาหารด้วยครับอทําก็ารู้สึกตัวเบาแล้วก็ได้ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์ทำที่พระอาจารย์สอนก็เหมือนกับมันพบพิสูจน์คําพูดคําสอนพระอาจารย์เป็นความจริงพิจิะะตรเต็พเสียเจ็บไปครับอืก็รู้สึกดีมากครับพระอาจารย์อันนี้มีคําถามอันหนึ่งคือในอ่านหนังสือกายคต า, าที่อ่ หลงจาบัวได้เขียนไว้กายกับจิตที่เป็นขันห้าคือรูปกับนามเนี่ยในส่วนของนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่แต่จริงๆแล้วตัวจิตเนี่ยไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จิตเป็นตัวรู้รู้เฉย จิตเป็นตัวรู้ซึ่ง เ, เหมือนอาศัยขันห้าอันนี้อยู่้<ร> ข, ขันห้าอาศัยอยู่ในจิตครับขันสี่งามขันอาศัยอยู่ในจิตครับพอพิจพอพอนั่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยแล้วพอสงบ อ, ออกมาก็อ่านหนังสือกายคตาเนี่ยรู้สึกว่ามันมันมันมันลึกซึ้งแล้วก็ เข้าใจได้เป็นทีละจุดตามที่ได้อ่านมันเหมือนได้ปัญญากับาาอาจารย์ได้พอมีสมาธิแล้วจะอ่านหนังสือสามาจะเข้าใจดีขึ้นจะเห็นชัดขึ้นครับแล้วก็ช่วงนี้ยังพิจารณาเรื่องกายคตตาอยู่ครับก็อ่านแล้วท่านในหนังสือนี้เฉพาะหมวดของกายคต า, านี้สามารถไปถึงวิมุติได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ ได้เฉ่าะระดับโสดาบั น, นอาณาคามีระดับาณาขามียังไปไม่ถึงมีมูนลนะครับพ อ, <ม>อพอครับพอในหนังสือท่านหลวงตาบอกว่าพอไปถึงจุดอันนึงที่พิจารณาสุภาแล้วก็สุภาสลับไปสลับมาแล้วสุดท้ายแล้วคือจิตเข้าไปยึดจิตเป็นตัวไปให้ความหมายมันก็เลยย้อนกลับมาที่จิต แล้วก็ตัวกลับมาพิจารณาที่ในจิตก็ในหมวดของจิตานุปัสสนาผมเข้าใจเป็นแบบนั้นมันก็เลยไปทีละสเต็ปหลังจากนั้นตามที่พูดเอาไว้ต้องผ่านกายกับเวทนาไปก่อนถนึงจะไปสู่การพิจาราจิตได้ครับก็ท่านี้ก็ปฏิบัติอ่ามูชากับพระอาจารย์นึกและลึกถึงคำสอนพระอาจารย์อยู่ตลอด วันนี้มีครับอ่าไปที่กองปรางค์วะไรยศรีราชาทางนมัซการเจ้าค่ะก็ช่วงเข้าพรรษาค่ะพอดีเลยค่ะเดี๋ยวจะส่งลูกสาวกลับไปที่เชียงรายก็จะได้มีโอกาสที่ปฏิบัติเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็รวมถึงให้ครบสิบแปดที่ผ่านมาก็เจ็ดขกอะไรเงี้ยอืมดี๋ยวให้ใหครบสุดเนี้ยแล้วค่ะจะได้พ้นทุกเสทีเจ้าค่ะอ่าเี โอเคไม่มีอะไรนะทีะได้ไปที่ท่านตอบไปคุณคุณครเน่งคุณเน ง, ไ, เงได้ยินไหมครับอาจารย์ได้ยินเสียงธรรมชั้นเลยค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์ให้ฟังแลายๆคนคะ่ะหนูก็จะฝึกสติต่อไปครับพระอาจารย์พลตอนนี้แต่ว่ารู้สึกว่าดีขึ้นมากเลย อ่าก็คือรู้สึกว่าใจเบาขึ้นนะคะพระอาจารย์แล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะไปฟังธรรมะของพระอาจารย์ที่ได้ตั้งใจไว้ว่าจะพยายามไปให้ได้ทุกอาทิตย์แล้วก็พบกับเป็นปีหนึ่งที่ไม่ได้ขาดเลยจนถึงพรรษาโน้นมาพรรษานี้นะคะพระอาจารย์อก็จะไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ค่ะก็จะฝึกไปก่อนค่ะได้ฟังหลายๆท่านที่พูดมาก็รู้สึกว่า ได้ไประโยชน์มากก็จะพยายามไปหาอาจารย์ไม่มีอะไรแล้วคับอาจารย์ก็จะฝูกต่อไปค่ะสาุค่ะขอให้ทักคุณพอาจารย์สยงเลงคบอ่าชุค่ะไที่จอยพทัทยามนุษย์กาวค่ะได้ยินหนูไหมคะได้ยินจ้าเดี๋ยวพูดี่หนูไปใส่บาตค่ะวันเกิดไ อ, อ้ตัวเล็กค่ะอ่ามันจะไม่ค่อยตื่นนะเวลาไปใส่บาตรเหมือนซอมบี้นะครับ ถูกกว่าเช้าวค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาซื้อของกินในเซเว่นก็ดีขึ้นมาหน่อยค่ะส่วนตัวหนูหราก็ปฏิบัติอยู่ค่ะหนูก็ทำสมาธิแล้วก็เดินจงกรมเวลาครึ่งชั่วโมงสมาธิครึ่งชั่วโมงจงกรมครึ่งชั่วโมงค่ะโอเคดีค่ะเริ่มจะพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะใช่ดีมากค่ะนี่เาดีค่ะอ่นค่ะค่ะ เปียาวาันเช่นเปียวันกลาวา น, นมัสการพระอาจารย์นะครับ อ, อแสดงความยินดีกับเข้ามาแสดงความยินดีสมณศัก์กใหม่พระอาจารย์นะครับโลเกลโลเกลแต่ชื่อใหม่ <laughs> นะแล้วก็เลยถือโอกาสวันพระใหญ่ด้วยเลยถือโอกาสขอถามคำถามาสักสองข้อนะครับาอาจารย์ในคนที่เขาตกอยู่ในอบายะครับ คือการพนันกับของเมาอันนี้เขาก็มาให้โยมช่วยเรื่อยบางทีเขาก็มีครอบครัวมีการงานมีสุขภาพติดการพนันก็หมดทุกอย่างโศกเศร้าหาใหม่พอหาใหม่มาได้ก็โศกเศรา้าแล้วก็ไปเล่นการพนันใหม่อันนี้ยก็คือในครอบครัวก็จะถามกันว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของเขาโยมเลยก็ไม่เคยคิดถาคําตอบกันมาเหมือนกันนะครับอันนี้คือก็อยากทราบว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของเขาแล้วก็ เราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างครับเนี่ยอ๋อเรื่องเวกรกรรมเดี๋ยวเราก็ช่วยเหลือเขาไม่ได้ถ้าช่วยได้ก็ช่วยไปแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขารับรับกรรมของเขาไปเออครับเนข้าใจไหมครับอเอ่อข้ออีกักข้อได้ไหมครับได้หลักสําหรับผู้นําครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นผู้นําองค์กรหรือผู้นําเอ่อ เอระดับสูงขึ้นไปนะครับจะทํำยังไงให้คนในองคอ์กรเนี่ยจะได้มีความสุขมีความสามาัคคีในตามแนวาศาสนาของเราได้บ้างนะครับก็ทุกคนก็ต้องมีความร่วมมือกันนถ้าถ้าคนที่อยู่ร่วมกันไม่ให้ความร่วมมือต่อกันมันก็มันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นนั่นทำยังไงให้ให้เขามีความมีจุดยืนยเหมือน จุดยืนเหมือนกันมีเป้าวมาแทนเดียวกันมันก็จะไปกันได้แต่ถ้ามีเป้าหมายจุดยืนคนตะอันกันมันก็อาจจะทําให้ไปร่วมกันได้ยากในบางทีเราก็อาจจะต้องคันสรรคนที่ที่สามารถร่วมงานกับเราได้ไม่เป็นไม่เป็นอุปสรรคคนที่เป็นอุปสรรคก็ต้องขอเชิญให้เขาไปหาไปทําที่อื่นเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับ มัอนยงวงดนตรีเนี้ยถ้าคนเล่นมาเล่นคนเล่เพลงกันเนียมันก็มันก็เล่นด้วยกันไมได้ครับเราจะเล่นเพลงสรรเสริญบารมีเขาจะเล่นเพลงชาติอย่างเนี้ยมันก็ตีกันเครับอมีในในฐานะคนที่อยู่ในองค์กรด้วยอย่างเงี้ยนะครับมีมันจะเต็มไปด้วยทิฏฐิก็เดี่ยวปัญหา แล้วก็มานะคราวนี้ก็ตามมาด้วยมานะต่อกันละอืมมีทำข้อไหนที่จะให้เ ร, เราดูเราชมเนี่ยฮะจะได้รับทิฏฐิมานะก็ทําให้ใจสบายก็ อ, อยู่เลยอ่อนน้อมทำตนพระเจ้าทํำตัวร้า้เป็นอ่อน้อมอ่อนน้อมทำตนทําตัวร้ายเป็นเหมือนปัตภีเป็นเหมือนแผ่นดินใครจะเหยียบใครจะย่ำใครจะทำอะไรกับแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่เดือดร้อนอืมเข้าใจไหม ครับเข้าใจแล้วครับทอย่าไปลงอง อ, อย่าไปลงยึดติกับสถานะเราแล้วเราเป็นหัวหน้าเราเป็นอะไรมันก็เป็นแค่หัวโขนนียทำตัวเราให้เป็นผู้น้อยนีว่าแล้วเราจะเข้าตอบทุกคนได้ไม่มีปัญหาโอเคนะยัขขงกลับรัชการประชาธิปนี้นะครับโอเคอ่านที่คุณรชัยราชัยเชิญ คนสุดท้ายแล้ววันนี้อราไม่ได้ยินเสียงมึงเราจะใช้ไปปลดไม้ก่อนได้มม<ล>ยินไหมครับอาจารย์ครับได้ยินนะครับครั บ, รบอาจารย์มผมเรียนถามผ้าอาจารย์ครับอนั่งสมาธิระหว่างห้านาทีถึงสิบนาทีกับนั่งครึ่งชั่วโมงจะแบบไหนจะดีกว่ากันครับผ้าอาจารย์ครับก็มันไม่ได้อยู่ที่นาทีอย่างเดียวมันอยู่ที่มีสติหรือไม่มีสติ ถ้าน้่งแล้วไม่มีสติจะ ก, กี่นาทีมันก็ไม่มีประโยชน์ครับเป็นต้องนั่งแบบมีสติคือคอยควบคุมความคิดด้วยการทํา่กับคาบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแล้วดูดูลมหายใจเข้าออกไปอ ย, ยอย่านั่งเฉยเฉยอย่านั่งหงายลอยครับเวลาผมนั่งผมจะผมจะท่องพระ้าจารย์ท่านยังสอนผมก็คือพุโทโธเมนาโถเข้าธรมโมเมนาโถอย่างนี้ครับ ได้อันนไวิธีไหนก็ได้ถ้ามันทําให้เราหยุดความคิดของเราได้ทําให้ใจเรานิ่งได้ก็ใช้ได้ใจใจผมนิ่งครับแต่เรียนเรียนถามพระอาจารย์ว่าผมจะนั่งประมาณห้านาทีถ้าผมว่างครับแต่ถ้าวันไหนผมมีเวลาผมจะนั่งประมาณยี่สิบถึงครึ่งชั่วโมงครับอยู่ที่โอเคครับทำไมวันหนึ่งมีต้องยี่บสี่ชั่วโมงว่างแค่ห้านาทีเอาเอาไปทําอะไรหมดคือบางครั้งผมนั่งอยู่บนรถผมก็ จังหวะที่นั่งบนรถมันไม่ไกลผมก็จะนั่งได้ประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีครับผู้าอาจารย์ถ้าอยู่ในบ้านบางครั้งก็จะนั่งนานหน่อยครับอาจารย์ครับอ่าน่าจะหาเวลามาให้นั่งให้มากกว่าห้านาทีนะั้นได้ครับผู้อ<ห> า, <ห>าจารย์ครับห้านาทีถ้าเริ่มต้นห้านาทีก็โอเคแ ต, แต่ว่าจิตจจิิตตตแ่่วาสงบครับผู้อาวุโสไม่คิดอะไรตอนนั่งครับครับก็ดีก็ดี อาจารย์ได้ข่าวพระอาจารย์ไม่ไม่ทราบว่าปวดตรงไหนครับผมผมจะมีมียาเป็นสมุนไพรจะส่งไปให้ที่วัดให้พระอาจารย์ได้ใช้ได้ไหมครับไม่ต้องส่งมาหรอกเรามียาเยอะแยะไปหมดนะอ๋อครับผมครับได้ครับพระอาจารย์นโมธนามันตีกันปนกันยุ่งมันว่าอะไรเป็นครับครับครับพอดีผมถวายพระหลายองค์แล้วพระพระบอกว่าใช้ใช้ดีครับผมก็เลยอยากถวายพระอาจารย์ครับไม่เป็นไรล่ะขออนุโมทนาสาธุได้ครับพระอาจารย์ครับโอเค ครับกับอาจารย์ครับาาครับคุณจ่าครับโอเคยไปได้คุณชุ่มแล้วมั้คําถามจากทางบ้านได้ไหอคือ น, นี้มีสาสามข้อนะคะใช่ค่ะข้อที่หนึ่งจากคุณหนิงนะคะกําลังเผชิญวิบากกรรมอยู่ในช่วงเวลานี้ทําบุญและปฏิบัติธรรมแต่เหมือนเจ้ากรรมในเวรไม่น้อมรับบุญเจ้าค่ะขอพระอาจารย์เมตตาแนะนําแนวทางการทําบุญให้ด้วยค่ะ แล้วก็คือการทํราบุญจะต้องทําด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนจากใครจากอะไรนะทำเพื่อสงฆ์ฆหาผู้อื่นทําให้เขาได้รับบุญได้รับประโยชน์จากการเสียสละของเราแล้วเราก็จะได้ความสุขจากการทำบุญนี้นั่นแหละคือผลที่เราต้องการคือเป็นผลที่เกิดจากการกระทําของเราเองไม่ใช่ผลที่เกิดจากการตอบสนองของผู้อื่นต่อเรา ถ้าเราไปหวังให้ผู้อื่นเขาตอบสนองเราถ้าเขาไม่ตอบสนองเราเราก็จะเสียใจยังเราไม่ทําบุญเพื่อให้คนอื่นเขาทำอะไรให้กับเราเราทําบุญเพื่อให้ใจเราสบายคำ ถ, ถามต่อไปค่ะกราบเท้าพระอาจารย์ครับสิทธิ์มีข้อสงสัยขอความเมตตาสอบถามว่าในทุกๆครั้งที่สิทธิ์นั่งสมาธิหมายใจจะนั่งสองชั่วโมงพอเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งสิทธิ์จะทนทุกขเวทนาไม่ไหว ทำให้ต้องสลับขาซ้ายมาทับขาขวาแทนแต่สติก็ยังพยายามอยู่กับพุทธโธครับแบบนี้จะทำให้การภาวนาผิดพระผิดพลาดไปไหมครับเพราะไม่สามารถวางขันห้าทนกับทุกขเวทนาได้กระบพระอาจารย์ครับก็อธิษาว่าสติเรามันอ่อนกำลังมงมเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาตอนนั้นเราก็ต้องพยายามสร้างสติให้มากขึ้ น, นเช่นด้วยการบริกรรม พุทโธทให้ให้เวขึ้นแลให้ถีขึ้นก็ได้ลองท<อ>ำเดิมค่ะข้อะสุดท้ายเป็นการรายงานของคุณซุปราสตาร์นะคะเข้าครรษานี้หนูขอปรารณนาว่าจะไม่ช้อปปิ้งเสื้อผ้ารองเท้าตลอดสามเดือนนี้ค่ะและจะเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นและจะนอนพื้นตลอดสามเดือนนี้ค่ะมีมากสาที่ว่ามุนาตนาที่เนได้มากเท่าไหร่ก็ มันก็จะทำให้ใจเราเมาขึ้นเย็ยนขึ้นสบายขึ้นหมดแล้วค่ะคหมดแ ล, แล้วคำถามก็เวลาก็บดพอดีก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ